ราจะเดินทนกดีพวกเราที่อยู่ในห้องส่งในขณะ น, นี้แล้วก็ผู้ชมผู้ฟังที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการเรียนอิสระตามสำนึกวันนี้เป็นวันศุกร์ที่21มิถนายนพุทธศักราช2556เป็นวันแรมวันขึ้นขอภัยเป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมาเส็งวันเวลาก็ดูเหมือน จะผ่านไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์บ้านเมืองก็ถ้าฟังเขาแต่ละวันแต่ละวันก็ดูเหมือนจะมีพิธีกดบอกว่าต้องคอยติดตามดูอย่ากับพิบตาก็ก็ดูเหมือนว่าอะไรก็กับพ <c oughs> ิบตามไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ดูสถานก า, การณ์ก็วัดเขาเรื่อยๆในขณะที่ดูเหมือนว่าทางออกของประเทศเนี่ยยังไม่มีคําตอบว่าจะไปตรงชุดไหน แต่ขณะที่เรายังหาทางออกของชาติของบ้านเมืองไม่ออกเนี่ยงหนึ่งคิดว่าเราน่าจะออกได้ก่อนคือทางออกของชีวิตนั่นแหละคือถ้าเรามีทางออกของชีวิตแล้วเนี่ยมันก็คงจะทาให้เราค่อยๆที่จะทะลุทะลวงทางออกของชาติบ้านเมืองไปได้ด้วยแต่ถ้าทางออกของชีวิตเรายังหาไม่เจอเนี่ยเราไปเจอความมืดทึบของบ้านเมืองเข้าไปอีกมันก็เลยจะมืดทั้งนอกมืดทั้งในเนี่ย ก็ยิ่งจะยุ่งวุ่นวายหนักขึ้นไปอีกในขณะที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างดูเลวร้ายหรือว่าแย่สุดลงไป <c oughs> ก็มีผู้มองมองมองอีกมุมนึงว่าในความเลวร้ายนะั้นมันก็มีความดีงามเกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันมีกลุ่มคนที่แสดงความกล้าหาญแสดงตัว ม, ม, มีกลุ่มคนมีกระบวนการ ของประชาชนที่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองตั้งแต่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีกลุ่มเสื้อหลากสีมีกลุ่มไปกระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีกลุ่มหน้ากากขาวพัฒนาการของประชาชนจนการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยถ้าใครจำเลึกถึงเหตุการณ์สิีตุลาขึ้นมาจนพุทธพาธมินจนมา เป็นพันธมิตรประชาชนชาระชาธิปไตยจนในปัจจุบันนี้มันเหมือนกับประชาชนแต่ละคนมีความเป็น ต, วตัวเองจนไม่ต้องมีใครเป็นแกนนำก็ได้ทุกคนพร้อมที่จะออกมายืนเคียงบา่าเคียงไหล่ก้าวเดินไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาชันนำหรือไม่นำเป็นเป็นพัฒนาการที่ที่คิดว่าในมุมที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองแต่การตื่นรู้การตื่นตัวการ เข้มแข็งของประชาชนเนี่ยก็มีพัฒนาการเติบโตขึ้นมาตามลําดับอันนี้เห็นนึงว่าถ้าเรามีถ้าเราไม่ได้เมิตต ก, กัวงวลจนเกินไปหรือเราพยายามที่จะไล่เลี้ยงเหตุการณ์เนี่ยในในร้ายก็มีดีเกิดขึ้นเสมอเช่นเดียวกันถึงเหานี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะเรามีแสงสว่างของชีวิตแล้วเราก็จะค่อยทะลุทะลวงปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ออกไปได้วันนี้ก็พ่อครูก็ยังคมเหมือนเดิมที่ที่ถ้าใครเคยชุมนุมก็บอกว่าเหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยนะพ่อครูก็ดูเหมือนว่าแม่จะต้องพูดซ้ําพูดย้ําำแม่จะต้องอธิบายแล้วอธิบายอีกแม้จะมีคนว่าแล้วว่าอีกเนี่ยแต่พ่อครูก็ยังยืนดัดยื น, ย, น, ย, นยันที่จะให้ทําความทำ ค, ความเข้าใจนในสิ่งที่บางครั้ง แม้คําว่ากายตัวเดียวเนี่ยก็มีกายวิจิตพิสดารที่จากนอกมาหาในจากในไปหานอกตึกฟึ่งจนจนบางคนที่ถ้าเขาเข้าใจพยายามที่จะเข้าใจศาสนาโดยกําหนดเพียงแค่บัญญัติอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะหัวหมุนมากเลย <c oughs> เดี๋ยวมันก็เป็นอย่างมันเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างนี้มันเดี๋ยวมันก็จะเป็นอะไรมันก็ไม่ น, น่เดี๋ยวคือเดี๋ยวรูปก็เป็นนามนางเป็นรูปอะไรมันเหมือนกับ กลับไปกลับมาคือมันไม่สามารถที่จะบัญญัติเอาตรงไหนได้อะไรอย่างนี้แต่นี่หมายก็ว่าเราเห็นใจเหมือนกันว่าคนที่เขาอยาพยายามเข้าใจศาสนาโดยโดยศึกษาเพียงแค่บัญญัติเนี่ยพราะแค่จำบัญญัติจำภาษาเนี่ยครปวดหัวแท่แยอยู่แล้วกว่าจะรู้เรื่องได้แต่มาพลิกไปพลิกมาไปอย่างนี้อีกเนี่ยมันก็ยิ่งจะทําให้เขาเหมือนกับเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็สิ่งตรงนี้ก็เป็นเครื่องที่ เอ่อพวกเราที่มาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยเราคงจะไม่คงไปยึดมั่นเป็นเพียงแค่บัญญัติเท่านั้นนะแต่เราพยายามที่จะเข้าไปเรียนรู้ที่พระครูพูดมนทั้งบดเนี่ยก็เพื่อจะให้เข้าเข้าถึงสภาวะจิตสภาวะธรรมโดยไม่ติดเพียงแค่บัญญัติภาษาซึ่งก็เป็นความลึกซึ้งที่ถ้าถ้าไปกำหนแค่บัญญัติอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่เข้าใจอย่างที่มีผู้ถอดออกมาว่าฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะแค่คิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะให้เข้าใจทั้งทั้งจิตทั้งสภาวะ ด, ด้วยเนี่ยก็คงจะเห็นถึงความลึกซึ้งของศาสนาพูดว่ามีความลึกซึ้งเพียงใดนะแต่วันนี้ก็คงจะเป็นวันจีตวันสุขร์วันสุ ข, ส, ขสุดสัปดาห์ที่เราน่าจะได้มาศึกษาเรื่องความลึกซึ้งเพื่อความหาความสว่าง ข, ของชีวิต เพื่อที่จะชิดทิ่ถวางนี้ไปทำให้บ้านเมืองเกิดความถวังตามขึ้นมาด้วยเราขอกราบลาณาพ่อครูครับอ้าวอ้าววันนี้ก็ต่อเลยดีกว่าอาตมาจะไม่ท้าวความอะไรมากมายอ่ก็จะต่อที่ได้บรรยายมาเรื่อยๆแม้มาวานนี้ว่างเว้นไปให้ทั้ง เมื่อวานนี้มันออกนี่เนาะนมันว่างอวันลาวันพุทธน่นวานี้มันประหัตวันนี้มันสุกวานนี้ก็ต้องออกอยู่นะจนเขามีเอสเอ็มเอสมาในวันนี้อัตมา ก, ก็จะได้ข้อคิดต่อจากเอสเอเอสของผู้ที่เอสเอมเอมาเหมือนกันนะอัตมา ก, ก็เลยจะขอต่อไปเลยนะเอาเอสเอมเอสที่เขาส่งมานี่ต่อ พอเวลาสองชั่วโมงเนี่ยน้อยอัตอมาก่อนเดาวลงมานี่ก็โมนก็ปรึกษาว่าไม่แห่มันมีเวรมีกรรมอะไรกันไม่รู้ชีวิตจะต้องมาวินไล่เวลาไล่ก็ไล่ ไ, ไม่ทันเวลาเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดนะไม่ทันเดี๋ยวก็ถึงตรงนั้นแล้วหรือถึงตรงนี้แล้วไม่ทันสักทีอ้าวหมดแล้วอันนี้เอาตรงอันนั้นต่อ หมดไล่ไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรถึงมันนั่งไล่ไประสองชาวบงนี่ก็มีแต่บ่นเรื่องจะพูดนะครับมันมันนั่งไล่เวลาในเวรกรรมจริงๆนะอ้าก็บ่นให้ฟังเท่านั้นเองก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเวลามันก็คือเวลาก็รู้อยู่ว่ามันก็หมุนเวียนไปตามเหตุปัจจัยของมหัศจรวาลหมุนอย่างนี้โลกมันก็หมุนไปไม่รู้เรื่องเราก็บ่นไป เราไม่เก่งเองทำงานไม่ทันอ่า่มาบน่นแล้วว่าเราทำไมไม่เก่งทำงานแล้วก็ทวนแล้วทวนอีกก็ดูไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยชัดเจนทวนอีกก็เออดูดีขึ้นทวนองกดีขึ้นทุกทีเลยต้องทวนกัอยู่นั่นแหละเพราะเราไม่เก่ง เ, เรายังไม่รู้สมบูรณ์ยังไม่รู้สมบูรณ์ยังไม่เก่งก็ต้องไปเรืเอ่อยเอาเดีจะบ่นยาวไป S M S เมื่อวา น, นมีวันที่ยี่สิบ วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมใช่ครับเมือ่อวานนี้วันที่ยี่สิบอ่าเข้เจ้าอื่นก่อนลืมหมดอะไรก็ลืมหมดหมดจะไล่แต่เวลาวั น, ว, นวันก็เลยลืมอ่า อ่านไปเรื่อยมาวานี่มีมาไม่มากเขาเอาจริงจรมันมีมากแต่เขาคัดออกมาไอ้ที่มันมันมีอะไรมีเรื่องที่แล้วนึกถึงชมเชยอะไรตัวเขาก็ตัดตั ด, ตดออกเอาแต่เรื่องที่เป็นเนื้อหาบ้างมาให้นา0242บอกว่าเพราะเข้าใจทุกอริยสัตว์วันนี้โอ้ดีจังเลยนะฟังไปแล้วเข้าใจทุกอริยสัตว์นี่เป็น เ, เรื่องยิ่งใหญ่นะเป็เรื่องประมาติการเข้าใจนะคุณศูนย์สองสี่สองก็ขออนุโมทนานะเพราะเข้าใจทุกริษั์วันนี้ผมจึงไปสารภาพผิดกับผู้ใหญ่ครับไปทำอะไรไว้ <c oughs> ไปทาอะไรไว้เข้าใจทุกทุกธริษฐ์แล้วเออดีคุณสี่เก้าเจ็ดเก้าบอกว่าอเหตุก จ, จิตนะข้อหนึ่งวงเล็บข้อหนึ่งและข้อสองคืออะไรครับ ก็อธิบายด้วยช่วยอธิบายด้ว ย, วยอเยตุกจิตก็ลองดูซิอัตมาก็ยังไม่ได้ดูในรายละเอียดทีเดียวถ้าจะพูดกันให้ชัดๆก็คือไม่มีเหตุอเหตุกะก็ไม่มีเหตุเท่านั้นเองเหตุอเยตุกะก็ไม่มีเหตุจิตที่มันไม่มีเหตุทีนี้มันมีความละเอียดถึกซึ้งในเรื่องของประมาทเนี่ยเราจะ อาตมาก็ต้องทบทวนต้องดูสภาวะลึกซึ้งและดูพยัญชนะที่ท่านมีกันอยู่แล้วกอนด้วยว่าท่านหมายถึงอะไรกันบ้างนะไอเหตุกตตุกจิตอ่าอเหตุุกจิตแล้วทำไมมากระทบได้เป็นฉนาดนั้นอจารยอจตนะทำไมล่ะจบเลย อาอหิตกาจิตมาจากเมืกี้กันดูเอาอหิตกาโคชกะเมื่อกี้นี่เหิุกาจิตอหิตกาจิตตุปรบาทพุ่มสี่เว้นทางบนเมื่อกี้ผ่านมาแล้วก็อธิบายไม่เจริญเอาอย่างนี้ดีกว่านะอาตมายังไม่ได้ทบทวนมาเพราะว่าเรื่องประมาทในบางที่พูดไปถ้ามันไม่ดีมันเพียนมันจะทําให้เข้าใจผิดอาตมาเอาไว้ขอเวลาก่อนก็แล้วกันนะ เอาเอาไว้วันหลังมาอธิบายสู่ฟังคุณ49ต่40 39บอกว่าท่านสอนกายานุปัสนาสติปัฏฐานกายานุปัสนาสติปัฏฐานหรือเปล่าเรื่องเดียวกับกายคตาสติหรือเปล่าน่า แล้วก็กลาบก่อไปไว่าจิตโมไปอยู่ที่งานสี่หมหยุดทําโมได้ต้องทําทัาท้งวันทั้งคืนโอ้ขยันอ่ะอังก็ตอบได้ว่ากายานุปัจนาก็หมายความว่ากายานุปจนาสติปฐานคือปฏิบัติสติปัฐานนั่นแหละอ่ะสติปทานนั่นแหละสติปทานที่พิจารณากายนะพิจารณากายอันตามพิจารณาอนุปสนอนุปจนาเนี่ย พิจารณาให้เห็นความเป็นกายกายานุปัสสนามีการเรียนรู้การเรียนรู้สติปัฏฐานสี่ท่านมีกายกายในกายเพี ว, วันนี้จะขยายคำว่ากายในกายแล้วกายในกายเนี่ยมันเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเออเดี๋ยวเขาติดตามฟังดีดี นะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ฟังคุณแปดเจ็ดนห้าเขาว่าอาตมามานะอ่าแล้วก็กำหนดดูความเป็นกายขับนขณะนี้อาตมากำลังอธิบายอย่างหนักอย่างมากอย่างละเอียดถึงคำว่ากายกายโยเนี่ยซึ่งลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากจริงๆซับซ้อนนะมันมีความสลับซับซ้อนบนด้วย ซับซ้บอนแลวนด้วยกลับวนไปวนมาจนกระทั่งคนเมาหมาัดเห็นใจนะอาจารย์เห็นใจคนที่เข้าใจไม่ได้คําว่ากายคนเข้าใจที่สําคัญก็คือภาษาไทยเนี่ยเอาคําว่ากายมาติดกับคําว่าร่างเรียกว่าร่างกายทีนี้ไอ้ใจก็ผ่าไม่เรียกว่าร่างใจไม่มีนะทีนี้ไอ้คาว่า กายนี่นะก็ไม่เรียกใจใจเป็นนามธรรมนะร่างนี่เป็นรูปธรรมร่างนี่คือสรีระรูปร่างนี่คือสรีระนะแต่ใจนี่มันไม่เป็นสรีระเลยแต่กำว่ากายนี่มันเป็นทั้งสรีระและเป็นทั้งนามธรรม กายเนี่ยมันมันลึกซึ้งมากเลยนะมีทั้งรู ป, ปรกายและนามกายนี่ทั้งรู ป, ปรกายและนามกายเดี๋ยวเดียวค่อยคขยายความเพราะให้เรียนรู้ท่านสอนกายยานุปัชนาเสด็เปรตฐานหรือเปล่าสเรียนสอนสิสอนสําคัญเลยแหละไม่สอนไม่ได้สอนอย่างละเอียดสอนอยู่ตลอดเวลาเรื่องเดียวกับกายคตาสติหรือเปล่ากายคตาสติเอางี้ กายคตาสตินี่แปลว่าให้มีสติกาหนดรูก้กายคตากายคตาปฐมมาก็แจ้งแจ้งให้ฟังรมื่วานเนี่ยว่ากายคตาหรือกายคตาเนี่ยคือสิ่งที่เป็นไปในกายสิ่งที่อยู่ในกายกายคตาหรือกายคตาเนี่ยสิ่งที่อยู่ในกายสิ่งที่เป็นไปในกายกายคือองค์ประชุมนะ กายคือองค์รุมหรือกายองค์ประชุมของดินน้ำไฟลมก็เรียกว่ารูปรกายถ้ากายประชุมของทั้งหมดโดยเฉพาะที่ปฏประมาแล้วหมายถึงหมวดเจตสิ ก, กธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารกายนี่คือแล้วเวทนาสัญญาสังขารอะไรจิตนะจิตเจตสิกนอะเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายเนอะ เพราะคำว่ากายยิ่งเอาชัดเจนเลยคือหมวดหมวดของเจตสิกธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้เป็นต้นน ะ, ะเพราะกายก็ตาสตินม่รวมไม่ให้พิจารณาทั้งที่อื่นข้างนอกองค์บทจุมของรู ป, ปากายพระอาจารยจะมีการสอนในมหาสติปัฏฐา น, นในมหาสติปัฏฐานเนี่ยท่านสอนอย่างละเอียดลึกซึ้งเลย ที่จริงว่าจะอ่านไอ้หนีซะ ก, ก่อนให้จบพอดีคุณถามเข้าเรื่องแล้วไอ้ที่พูดกับทุ่งกายกายกายอยู่นี้คุณแปดเ็ดูนาก็พูดภาพพิงประเด็นนี้มาเหมือนกันอาตมาก็เตรียมจะพูดทุงเรื่องนี้เลยมันใจมันร้อนไปหน่อยหนึ่งมันก็เลยจะอธิบายไปสั ก, ก่อนอ่านก่อนดีกว่านะสรุปเป็นปคำตอบตอบตรงนี้ก็แล้วว่า กายานุปัฏนาสติปัฏฐานนั่นก็คือการเรียนรู้โดยมีสติปัฏฐานต้องเข้าใจสติปัฏฐานสหรือมหาสติปัฏฐานคือเรื่องของที่ตั้งของการปฏิบัติการศึกษาที่มีสติเป็นตัวนําสติปัฏฐานปัฏฐานคือที่ตั้งฐานที่ตั้งคือหลักที่ตั้งที่ปฏิบัติหลักปฏิบัติที่มีสติเป็นตัวตั้ง สติปฐานสติปาฐานสี่ก็เรียนจะมาแล้วว่ามีกายเอาคาว่ากายท่านก็นเอากายในกายแต่กายในกายนี่เวลาอธิบายท่านก็บอกว่ามีนอกมีกายนอกด้วยแม้อานาปานาสติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสติปฐานส่วนหนึ่งของมหาสติปฐานอานาปานาสติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมหาสติปฐานจำไว้เลยอานาปานาสติไม่ได้อยู่โดเดียว อาณาปานาสติไม่ได้อยู่โดดเดียวนะอายะอาณาปานาสติจะต้องเกี่ยวข้องกันกับกายอาณาปานาสติเนี่ยแม้แต่ในตัวอาณาปานเส้นบอกว่าลมให้ใจเข้าออกกายคือลมอนี่ยทิ้งกายแม้จะบอกว่าจะพิจารณาข้างในเลยนะก็จะต้องรู้จักกายสโนองอยวจะตัดขาดอันนี้เป็นต้นนะ พรังกายยาโนปัสนาสติปฐานนั้นก็คือการปฏิบัติทั้งหมดส่วนกายคตาสตินั่นก็คือชื่อใหญ่ชื่อการปฏิบัติรูปใาญองค์ประชุมทั้งหมดเลยการความเป็นไปกายคตะสิ่งที่เป็นไปในกายทั้งหมดคนมีสติเรียนรู้ตรงนี้ให้สติเรียนรู้ตรงนี้ก็คือสติปัฐานนั้นนีเองนี่มันก็ลึกซึ้งหน่อย เอาเอานี่ก่อนที่นี่คนติดตามฟังรายดีอียต่อไปคุณหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดบอกว่าแ7 0เจ็ดศูนย์ห้าขยันว่าจริงนะอยากรู้จังว่าปฏิบัติอะไรได้บ้าง<อ>คุณแปดคุณเจ็ดแปดเก้าเจ็ดบอกว่าแปดเจ็ดศูนย์ห้าคือ VIP นะ<อ>และขยายคำว่า VIP ให้ฟังให้ให้ด้วยว่าเท่ากับบรี Idiot person ไปว่าเขานเอ้าคุณแปดแปดแปดามตัวแปดแปดแปดเจ็ดบอกว่าแปดเจ็ดศูนย์ห้าสมาธิของคุณทําบนรถหรูเครื่องยินส่วนตัวและอยู่กับผู้หญิงสองคนด้วยใช่ไหมจึงจะถูกเอาก็ไปว่าเขาอสี่ห้าหกสองว่า ทำไมการประชุมมะระดกโลกครั้งที่สามสิบเจ็ดที่พนมเปญสิบหกถึงยี่บเจ็ดมิถุนายนห้าหกถึงไม่ค่อยมีข่าวเลยเออมีต่างของสังเกตมาการประชุมมะระดกโลกครั้งที่สามสิบเจ็ดที่พนมเปญตั้งแต่วันที่สิบหกปันนี้มันผ่านมาวันที่ยี่สบเ็ดยิบเ็ดแล้วถึงวันที่ยีิบเจ็ดนี่มิยอดถึงไม่มีข่าวไม่ค่อยมีข่าวเลยแปดหกเจ็ดเจ็ดอันนี้ ก็ตั้งข้อสังเกตจากสื่อสารมวลชนได้นะทำไมสื่อสารมวลชนไม่สนใจเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไทยเลยนะถดูไม่มีใครพูดเลยอนะ่ก็แปลกแปลกมากมากอยู่เหมือนกันก็คุณนี้ตั้งข้อสังเกตก็ถุกมแล้วนะคุณแปดหกจเจ็ดบอกว่าไม่มีใครจับผิดพอทรอได้หรอกเพราะครึ่งหนึ่งเป็นมหายาน อีกครึ่งหนึ่งเป็นเทรวาสคุณพูดนี่คุณรู้หรือเปล่าว่าหมายความว่าอะไรเขาว่าครึ่งหนึ่งเป็นมหายานครึ่งหนึ่งเป็นเทรวาสเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นกลางไม่ได้เป็นคนที่ไปยึดติดมหายานไม่ได้ไปยึดติดเทรวาอจริงๆอาตมาเป็นเช่นนั้นอาตมาไม่ได้ไปยึดติดมหายานไม่ได้เทรวาสแต่แน่นอน มหายานคือพุทธเทรวาสคือพุทธเพราะฉะนั้นความเป็นพุทธมหายานก่อพุทธเทรวาสอาตมาก็รู้ทั้งสองอย่างอะไรผิดอะไรถูกทั้งคู่นะทั้งคู่มหายานอะไรส่วนไหนถูกส่วนไหนผิดเทรวาสส่วนไหนถูกส่วนไหนผิดอาตมารู้เพราะฉะนั้นอาตมาก็ใช้ส่วนถูกแล้วก็ยกอ้างปักกันแน่ยกอ้างว่าอันนี้ถูกของของพุทธมหายานของพุทธเทรวาสอันนี้ผิดของพุทธ เทรว่าของพุทธมหายาก็ชี้ตรงๆอถูกแล้วเพราะใครจะมาจับผิดจับถูกกับธรมะยากเพราะอรตมาบอกสิ่งถูกสิ่งผิดถูกต้องมันจะมาจับผิดธรรมายากไม่มีใครจะผิดพอทีเราได้หรอกอ่ามันจะได้จะถูกอย่างเดียวมันไม่มีผิดก็ถูกต้องอย่างที่คุณแปดหกหกเจ็ดว่าเออแปดหกจ็เจ็ดว่าเจ็ดสามศูนย์แปด หน้ากากขาวกําแพงเพชรจะมีชุมนุมวันอาทิตย์เช่นกันวันอาทิตย์นี้สงสัยจะเยอะแต่และจังหวัดแต่และจังหวัดหลายจังหวัดมากเลยนี่ส่งข่าวกล่าวบอกอธมา ก, ก็ดูข่าวดูก็ขึ้นข่าวส่งข่าวกันเยอะสื่อสารว่าวันอาทิตย์นี้ดูว่าจะมีกี่จังหวัดอ่ฮะอะเท่าไหร่นะสี่สิเ็ดสี่สิบเอ็ดจังหวัด รู้ได้ยังไงเขารวบรวมมีคนรวบรวมมีคนรวบร ว, บรวมสี่สิเอ็ดเหรออ๋อที่รวบรวมไว้สี่สิบเอ็ดนะก็ขึ้นจริงจะเท่าไหร่ดูซิวันอาทิตย์จะถึงนี้ก็อาตมาเขาว่ามันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่จริงมันก็เกิดไปตามจริงนะก็ทำก็เป็นไปเรื่องของมันก็เป็นไปทีนี้คุณแปด5จ็ดศูนย์ห้าบังละ นะจากนี้เป็นของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าทั้งนั้นเลยอ่านรวดไปก่อนแล้วค่อยเรื่องเอาไปเหยอะก่อนแล้วเพราะไม่วิจารณามากหรอกตรงนี้นะแล้วอาตมาจะอธิบายธรรมนะนเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องอยู่แล้วนะก็วิจัยวิจารณิดหน่อยอันข้อแรกนี่ของคุณแปดเจ็ศูนย์ห้าบอกว่าจะให้ตุกแกอ้าปากที่งับใจอุกจะให้ ตัวแกอ้าปากทิงงับอุตแกมันงับแล้วนี่ให้มันอ้าปากย่อมยากจะให้เดรัจฉีละวิชาทิธฐิยิ่งยากกว่านั้นนั่นสิมันถึงดื้อดึงกันจังเดรัจฉีนี่ดื้อดึงจริงจริงเดรัจฉีหมายความว่าเป็นผู้ที่มีพุทธศาสนาหรือว่า ม, มีพุทธธรรมที่ผิดไปจากพุทธ ผู้ที่ไม่อยู่ในพุทธศาสนานั่นแหละได้วบท เ, เดรัจฉีนาผู้เดรัจฉีก็คือผู้ที่อต่างจากพุทธไม่ใช่พุทธนั่นเองก็นั่นแหละการเดรัจฉีที่มิชาทิธิอยู่จริงๆนี่อย่างที่คุณแปดเจสุหน้าพูดนถูกมัให้ตุกแกมันงับแล้วมันจะย่อมหมันอ้าให้อ้ปาปากมันยากเพราะยังไงใครเป็นเดรัจฉีนี่มันยากที่จะให้อ้ปาปากหรือจะให้แก้ไข ต่ยอมรับหรือจะให้อะไรจากจริงยากาใครเป็นเดรัจีก็คนนั้นแต่705อีกบอกว่าพระเถปิดกบอกว่ากายสัคขีคือผู้สัมผัสด้วยโมกด้วยนา ม, มกายแต่โพธิรักตัดคำว่านามออกโพธิรักไม่บางอาจนะเพราะว่า พระเจ้าไม่ได้ตัดว่าคํมมีมะนามว่า ม, มีคําว่านามเลยเอาพาระบาลีมาดูก็ได้อัตถวิโมกเคกาเยนะขุจิตตวาอาจะมาว่าอาจะมาจําตรงนี้ได้นะอัตถวิโมกเคกาเยนะขุจิตตวาก็แปลว่าสัมผัสวิโมก ปอัฏฐวิโมคเขนิวิโมกแปดนะอัฏฐวิโมคเคกาเยนณขุจิตตววิหรรติปัญญา ย, ยจัตสัตติสวาอาสวาปริขินาโหติก็ท่นนั้นนึงอันสุดท้ายก็คือนี่อะไรคือคำกรัาวการบรรุจรก็คืออัฏฐ์กล่าวอย่างนี้คำกล่าวนี้ ไอ้ยังงูจะงุจะตีอ่าก็กาเยนะไม่เห็นมีคำว่านามตรงไหนเลยคนตัดไม่ใช่อัตมาคนตัดคือคุณไม่ได้ตัดคุณใสเข้ามาใส่เติมเข้ามาไม่ใช่ตัดอัตมาไม่ได้ไปตัดไปตัดอะไรแต่คุณนี่ชอบอย่างเงี้ยทีนี้คนเขาขึ้นมาหรืกระดาษเนี่ถ้าเพื่อว่าไม่เอามาทวนมาอะไรคนก็จะเชื่อตามนี่เป็นลักษณะของผู้ที่ชอบทําสายแดงเราชอบทําอย่างนี้บ่อยๆ กันแต่ยุคสมัครสมัครแล้วทำมาแล้วก็ฝ่ายแดงก็ชอบทำอย่างนี้เลยะจะตัดก็จะเติมมะไ้ไปโดยที่เป็นแหวมีตัวเลขมีอ ะ, อะไรอะไรอู้ระบุอะไรอย่างนี้เป็นต้นโดยที่อ้างอิงทำอ้างอิงนะแล้วคนไม่ได้ไปเปิดหลักฐาน ม, มันก็เลยเชื่อตามไปง่ายๆผ่า น, นก็คุณเองคุณเติมมาแล้วคุณก็มาตูวว่าอัตมาตัด คุณเติมาเติมของพระพุทธเจ้าอาตมาว่าเติมของพระพุทธเจ้านี่ก็อ้างอิงอยืนยันเท่านั้นเองอต่อมาบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรู ป, ปกายส่วนใจเป็นนามกายเพราะเป็นตัวรู้รู้โอเค น, นี่โอเคด้วยนะ น, นี่แหละอาตมาฟังอันนี้แล้วก็ชัดเจนว่าคนพวกเไปจะเข้าใจได้แค่นี้ เป็นความรู้พนพื้อนๆสามัญไม่ได้เข้าใจเรื่องซึ้งว่าคําว่ากายคืออะไรก็เข้าใจว่ารูปประกายคือกายที่เป็นรูปนามกายคือกายที่เป็นนามง่ายๆเขาเข้าใจได้แค่นี้เอาตมาไม่โอเคเหรอกเพราะว่ามันไม่ถูกคุณจะมาโอเคอเคอาตมาเลยอาตมาก็ไม่โอเคกัคุณเพราะมันไม่ถูก เพรมันกซึงกว่านั้นแม้ร่าอัตมาจะมานัองอธิบายยากเย็นอะไรแค่นั้นนะถ้าเข้าใจอย่างนั้นนะมันไม่ต้องไปพูดกันให้ปากเปรี้ยปากแฉะหรืออธิบายเมื่อเมื่ออะไรมากมายเพราะมันเสียเวลาก็จบแล้วก็เลิกไปถ้ามันง่ายแค่นั้นก็จบแล้วนี่มันไม่ได้ง่ายแค่ที่คุณเข้าใจนี่แหละคืออัตมาผู้ขออภัยเมื่อกี้สังนขานบอกว่านี่แหละคือภูมิภูมิธรรมของคนณหรือภูมิร่วมคุณอัตมาว่าจะพูดไป ก็เลยเออย่าไปพูดอย่างนั้นเลยขเขามั่นใจว่าถูกต้องดีสุดนนใช่ถูกต้องดีสุดมันไม่ผิดหรอกแต่มันตื้นเขินอยู่ในขั้นอนุบาลอะ่ะขั้นปนหนึ่ง อ, ะอ่ะอมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันตื้งง่ายๆอรู ป, ปกายกับนามกายแค่นั้นน ะ, ะนามและบอกมันมีมีมีต่อเดียนะเพราะเป็นตัวรู้รูปนามกายเป็นตัวรู้รูอยรางนั้นก็ถูกต้องที่นามกายเป็นตัวรู้รูป น, นะ นา ม, มากายที่จริงเนะี่ยนามมากายก็คือนามนามธาตุตัวรู้นี่คือนามธาตุา้านามมากายนี่คือองค์ประชุมของนามและคำว่ากายเนี่ยมันเป็นตัวถูกรู้องค์ประชุมหรือมัเป็นหมวดอย่างที่ว่ากายนะนซึ่งเอามาแม่ธรรมาก็พยายามเอารายละเอียดต่างๆอะไรสักอย่ามา มายืนยันมาขยายมันจะได้ชัดเจนนะกายมันหมายถึงกลุ่มถึงกองมันไม่ใช่หนึ่งเดียวง่ายๆตื้นๆแต่เศษกายไม่ใช่หนึ่งเดียวเนะเป็นกลุ่มหรือ ก, กองหรือจํานวนที่รวมกันกายเนี่ยเนี่ยนี่มาจากพจนานุกรมบาลีต่างๆนะแปลว่ากลุ่มหรือแปลว่ากองหรือแปลว่าจํานวนที่รวมกัน หรือการรวมเข้าด้วยกันมันไม่ได้หมายถึงเอกากายาเนี่ยไม่ได้หมายถึงเอกาเอโกไม่ใช่หนึ่งเดียวมันกายากลุ่มหรือกองจํานวนที่รวมกันแสขอแสตรงนี้ก่อนเพราะคนไทยมันไปเข้าใจผิดตรงร่างกายไปหมายถึงกายแปลว่าร่างไงกายขอยืนยันมันไม่ได้แปลว่าร่างเด็ดขาดไม่ได้แปลว่ารูปโฉมเด็ดขาดเลย กายเนี่ยไม่ได้สิ่งที่มีรูปมีโฉมหรือไม่ได้หมายความว่าร่างรูปร่างไม่ใช่เป็นกลุ่มหรือเป็นกองในจำนวนที่รวมกันหรือการรวมเขาดดวยกันหรือองค์ประชุมซึ่งมันมั น, ม น, ค, นความหมายต้องชัดนะอาตมาก็เห็นใจจริงๆเลยสงสารคนไทยนี่เข้าใจคำว่ากายนี่ตื้นๆแต่ตปติดอยู่กับคำว่าร่างกาย ร่างกายเลยเป็นตัวตนบุคคลเราเขาไปเลยก็เลยยากที่จะแก้ไขคําว่ากายโยในภาษาบาลีเพราะมันลึกซึ้งมากนะอันะที่อาจจะมาเอานำคําว่ากายในภาษาบาลีต่างๆในานามาม า, มาขยายเมื่อวานเนี่ยอกายะกาลิกายะขตะกายลิกกายคตากายคุตติเอ่อกายกายคุตนะติก า, ายดหะกายตปปณะนะ กายเทเรถากายปฏิพัทธะกายอกายานุปัสนากายปริยันติกะกายปัจติหรือกายปัจจิกายยานุปัสีกายปากุยตาหรือกายยะกรรมัญญตากายภาวนากายกายมุทุตากายวิชัมภนะกายวิญญาติกายวิเวกกายสมังคีกายสักขีกายยิกทุกกายยายตนะอะไรเงี่ย อ่านจนเมื่อยเลยนี่ยังมีหมดนะที่จริงมีมากคึ้นอีกนี่ปฐ า, าบาลีก็มีพยัญชนะแล้วอาตมาสร้างเองไม่เป็นหรอกอาตมาเป็นพรรญัติเองไม่ได้หรอกเมื่อมีภาษาเขาก็ต้องมีสภาวะาาเขามีมาแล้วเขามากายนิลาลายละเอียดละออยเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นไทยเข้าใจแค่ร่างกายมันตื้นมันติดเดย เนี่ยน่าสงสารมากเลยนะยิ่งสำคัญที่บอกว่านอกจากจะบอกว่าองค์ประชุมแล้วเราว่าหมวดหมู่ก็เหมือนการละกาวคำกลุ่มำกำลัำกองหมวดหมู่ภายในตัวตนภายในตัวตนนี่ก็กายภายในตัวตนนะคือการรวมกันเข้าของธาตุต่างๆมากมายหลากหลายเนี่ยภายในคือธาตุต่างๆรวมกันอยู่ภายในตั ว, ต, วตัวตนเนี่ยนะเป็นกาย มันไม่ได้มีความหมายพูดถึงหนึ่งเดียวเดียวอะไรไม่ใช่มันรวมทั้งนั้นเลยนะคำว่ากายะกายโยแม้แต่หมายถึงหมวดแห่งเจตสิกธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารอย่างต้ น, นเพราะงี้ถ้าเข้าใจแค่ว่ากายคือรูปกายส่วนใจนี่คือนามกายตาหูจมูริ้นกายนี่คือกายส่วนใจคือนามกาย แล้วมาถามโอเคมันโอเคอ่ะมันไม่ใช่ <c oughs> ตอนนี้ดอกภาสาอังดว่า 70, เจสู0 5าแ่เจส่าบอกว่าอโศก is the only only one นะ one is เล่นตัวใหญ่เลยนะอโศก is the only one of the จิงตองธรรมะ ไอโซ is the only ตัวใจตัวใหญ่เอนน็นทำไมมันตัวเล็กอ่ะนี่เขาตัวใหญ่เลยนี่เบลอเลยโจโจวันเนี่ยอ่วันเนี่ยตัวใหญ่เลยออฟเดอะจิงต้องธรรมะ from Godfather ร์โพธิรักโอ้ทั้งหมาดนี่เป็น Godfather เนาะอ่ากอสฟัทเทอร์โพธิรักเลยนะเขาว่างั้นนะเอาละเอาละเขาบอกว่าเป็นของเฉพาะของเรา เท่านั้นแหละนะเป็นเดียวที่ติ้งตองอยู่เท่านั้นเขาบอกอ้าวก็ดีสิจริงๆแล้วเนี่ยนะอาตมาเห็นใจนะสงสารผู้คนที่มีความรู้สึกอย่างคุณแปดเจ็ดสน่านี่สงสารตรงที่ว่าอาย่างนี้พูดไปมันเหมือนกับยกตัวเองที่จริงมันก็มันก็เป็นการยกตัวเองอยู่ในทีแหละเพื่อมา ก็ประกาศตั้งแต่ต้นที่บอกว่าทํางานแล้วอาตมาเป็นโพธิสัตว์ทีนี้อาตมาจะมาทํางานศาสนาพุทธหนึ่นคือมาสื่อสารศาสนาพุทธพอจะมาศึกษาศาสนาพุทธก็จะต้องเอาพุทธศาสนาที่ถูกต้องมาบ้างมาสื่อสารแล้วอาตมา ก, ก็ทําหน้าที่มาทําไมต้องสื่อสารทาไมจะอา ต, อตมาจะต้องมาทํางานนี้ก็ต้องพูดไงเนาะมาถึงตอนนี้แล้วมันมัน เข้าเขตแล้วมันรู้จะทำไงไม่พูดเล้วกป็น้างอัตมาจะต้องมาสืบทอดมันเป็นหน้าที่ของอัตมาเพราะครึ่งศตวรรษแล้วอภอยปไนกันเนี่ครึ่งพุทธศาสนาของพสมณโคดมแล้วสอง0ันห้ารอกว่าปีมาแล้วปีนี้ก็สองพันหก็เไปแล้วมันเสื่อม ทัศน์นามันเสื่อมและคนก็เข้าใจผิดไปเกือบหมดแล้วถ้าอาตมาจะใช้คาว่าหมดก็จะไม่ผิดหรอกถ้าอาตมาว่าเข้าใจทัศน์นามพุทธผิดไปหมดก็จะไม่ผิดโดยซ้ำอาตมาจึงจำเป็นต้องเอาสิ่งทูลนั้นมาประกาศลงไปอาตมาก็พยายามตั้งข้อสังเกตให้ฟังไว้ว่า ในพระพุทธเจา้าตรัสไว้ก่อนเหมือนกระตัดดักมือกระตับ ด, ดักเอาไว้ในพระไตรปิฎกนี่ยพระสมณโคโดมท่านตรัดเอาไว้ในพระไตรปิฎกเทราวาเนี่เก็บไว้ได้มากมายทีเดียวประเด็นสําคัญประเด็นที่หนึ่งที่อาตมาขอยำ้ำนะ ว่าประเด็นสำคัญในความหมายในมหาจัตตารีสกตรที่พระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ถึงสมาธิสิบข้อนั้นข้อที่สิบถ้าผู้ใดไม่พบไม่เห็นไม่ชัดเจนในผู้ที่เป็นสมัคตาสมาปฏิปันาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นสยังอภิญญา เป็นผู้รู้เองสยงามกัพิญญายังไม่ถึงกานสยามผู้อาตมาก็อธิบายให้ฟังแล้วเป็นผู้มีของตนเองเป็นผู้มีของตนเองเอามาประกาศสยงมพิญญาเอามาประกาศอย่างที่บอกอท่านบอกแล้วบอกว่าสยามกัพิญญานะซึ่งเป็นสมณพราหมนาเอามาประกาศของตนเองโดยรู้ได้ตนเองนท่านก็แปลไว้เองอะของ ท่านโบราณอาจารย์จะแปลไว้เองบ่รู้ย ma ิ่งด้วยตนเองรู้ยิ่งด้วยตนเองอันนี้สยังอภิญญาี่สยังมันมันก็แปลอย่างนั้นต้องแปลนะพระบาลีเสื่ออาตมาเขาประกาบตนเองว่าอาตมาไม่มีอาจารย์ไม่มีครูไม่มีอาจารย์อาตมาเอาข้ออาตมามาก็คืออาตมารู้ตนเองอาตมาบอกต้องเปเป็นโพธิสัตว์และอาตมาก็บอกว่าอาตมาไม่มีอาจารย์มาก่อนที่อาตมาจะมาเจอพระจะปิณดกบทนี้ มันใจเ๋ยวก็จะเปะบบ็นดกข้อนี้ที่ยืนยันว่าการจะบอกว่าอ๋อพรพุทธเจ้าขออภัยผดไป็ น, นเนียมตัวเองเนียมตัวเอ ง, องจริงๆขออภัยเออเอานะมันเนียมก็ต้องพูดกันละพระพุทธเจ้าตัดถึงอาตมาไว้ตรงนี้เองกันเลยอ๋อนี่ท่านตัดถึงเราตรงนี้เลยอาตมาเข้าใจเลยรู้ทันทีนอย่างนี้จริงๆแล้ว ก็อาจจะใครจะเข้าใจว่าอาตมาหลงตนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะอาตมาเปิดเผยนี่อาตมาไม่ไม่ไม่มีปัญหาหรอกใครจะเข้าใจว่าโอ้โนี่หลงตัวหลงตนใหญ่แล้วอะไรเนี่ยอาตมาเห็นใจจริงๆคนที่เขเกลียดเขาชังที่เขาไม่ชอบใจเขาไม่เชื่อถือเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอาตมาก็เลยไม่อยากจะพูดแต่ไหนเพราะยิ่งพูดเขายิ่งมันไปย้ำให้เขารู้สึกจะอ้วกอาตมานะอาตมาไมอยากให้คนชังนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนชังก็ รู้สึกจะเสียใจอะไรก็ไม่ถึงขนาดนั้นของใครจะชังจรักมันไม่ใช่เรื่องที่อาตมาไปพูดทำอาตมาไม่ได้ทําการชักการรักกันชังเพาอาตมาถือว่าอาตมาปฏิบัติตนเองอย่ากให้ใจเราได้ไปรักไปชังอะไรอาตมาทําได้อาตมากระจบที่เราส่วนใครยังรักยังชังอยู่ก็ส่วนตัวเขาซึ่งอาตมาก็เห็นใจนะอาตมาไม่อยากให้ใครเกิดรักเกิดชังหรอกโดยเฉพาะเป็นที่ชังันนั้นชังคนนี้หรือไม่รักก็เถอะมันเป็นทุกข์ แต่ว่ามันจำเป็นถึงเวลาก็พูดถึงสัจจะเห็นแก่สัจจะมากกว่าก็เลยต้องตวจเพืพ่จสัจจะจะได้เป็นประโยชน์แกผู้ที่ต้องการจะรู้สัจจะเท่านั้นนะเพราะงั้นอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาเอามาพูดเนี่ยคุณแ7 0เจ็ดูนย์หน้าพูดนี่บอกว่าโศกอีสเดียวลิวันอ the ติงตองธรรมะไม่เป็นได้แถมติงตองมาก็ไม่ว่า ก็คือ the only one of the ธรรมะนั่นแหละจะบอกว่า from God f a t e r โพธิรักก็ไม่ว่ากั น, น, ะนะจะประชดประชันแดดันอะไรในนี้อาตมาก็ไม่ว่าอะไรก็ข อ, อยืนยันว่าจริง the only one the only one of ธรรมะหรือพุทธธรรมเลย มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะงั้นอาตมาถึงมาประกาศแล้วมันมันเป็นความความจริงเลยฟังตรงนี้ให้ชัดๆถ้าอาตมาผิดมูใหญ่ถูกหมดเลยถ้าพุทธธรรมถูกนะขนของพุทธธรรมจะไม่ทำให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เลยคุณจะพอเชื่อบ้าสักนิดหนึ่งไหม ประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยเพราะาศาสนาพุทธมันเพี้ยนไปจริงๆมันจึงตกอยู่ในสถานะนี้ไงขณะเ น, นี้กระแสหลักกระแสใหญ่ไอ้ทุกชนใหญ่เลยสอนกันอย่างเนี้ยแล้วมันจะไปแนวเดียวกันหมดนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณทำรรต่างๆหรือพุทธธรรมต่างๆจะทำให้คนมีคุณสมบัติทอย่างนี้ไงนี่ผู้ใหญ่ที่บริหารบ้านเมืองอยู่ก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยลำบากระบนไหม เห็นไหมพราะอัตมาถึงเห็นว่าถ้าอัตอมาผิดทนน้นถูกถ้าอัตอมาถูกแน่นอนทนน้นต้องผิดขออไปที่ต้องพูดอย่างนี้ขออะไรจริงๆใช่ไหมเพราะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันมันมันทามแยงกันต่เจตุารับรองมีออ l y o n นใช่นี่คุณแต่เจตุารับรอง อาตมาก็ถึงต้องพูดตรงนี้ไงเพราะมันใช่แล้วอย่างที่คุณรับรองนี่คุณว่าเนี่ยคุณว่าพระชโบพระจันอาตมาเนี่ยอาตมาเข้าใจเพราะคุณไม่เข้าใจจริงๆแต่คุณพูดถูกเพราะมันเดียวลิวันจริงๆสยังอธิญญาสัจจคตว่าประเวเทนจรีเอามาประกาศให้คนอื่นรู้ตามก็มีคนรู้ตามมาจากกนกระทั่งถึงวันนี้หัวเดียวกับเทมรีอาตมากับพูดพูดอาตมามานี่มันหัวเดียวกับเทมรีเป็นยา ก, ยากแสนยากแต่อาตมาก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ตะกิด หลักของชีวิตอาตมาก็ต้องทำอย่างนี้เป็นตน้นนะเพราะงั้นก็เข้าใจก็เห็นใจนะแต่เขาเห็นใ จ, นะานใจอาตมาไม่ข้อพยานะักอาตมาจาเป็นต้องพูดความจริงพวกนี้อาตมาไม่ได้โกรธไม่เคืองอะไรคุณแต่เจะชศูนย์หน้าเลยจริงๆเพราะอาตมาไม่รู้จะโกรธเคืองทาไมมันเป็นทุกข์มันก็อวิชชาเท่านั้นเองเพราะอตาตมาว่าอาตมาไม่อวิชชาแล้วจิตใจอาตมาว่าอาตมาไม่ได้แกล้งพูดมาเอาโ ก, กดีอะไรพูดความจรงิงตามจรงมิงใหฝังเท่านั้นนะ ต่อมาคุณแ7ดเจ็ดศูนย์ห้าบอกว่า <c oughs> รูปมีแค่ยี่สิบแปดเท่านั้นแต่โพธิรักษ์ไม่รู้จริงจึงเอารูปกับนามมาปนกันมั่วนะบอกว่านามเป็นรูปก็ได้โดยอ้างคำว่านามรูปแบบผิ ด, ผดจึงถามหน่อยว่าใครสอนโพธิรักษ์อย่างนั้น ก็คัตอบก่อนอือสมเด็จพ่อสอนมาคือสมเด็จก็จะมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เทตมาได้พบมาสอนอย่างนี้นะสอนเหมือนกันหมดนาะจะถามเลยว่าใครสอนโพชรังยางนั้นคําว่านามรูปในโมเล็บในปฏิจสมุมบาทเป็นคํารวมคําว่านามรูปเป็นคํารวม คุณรม่ว่านะคุณแปดจจสุนาว่านามรูปในปฏิสมบัติเป็นคำรวมซึ่งปฏิวิบดก็ได้อธิบายไว้แยกชัดอยู่แล้วว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรนะฟังดีๆนะคุณแปดจจสุนาพูดเองนะว่าในปฏิสมบัติสปฏิสบัติเนี่ยรูปในคำว่า นามมารูปเนี่ยนามมารูปเนี่ยคําว่านามมารูปในปฏิบัติในปฏิสมุทรบัตรเป็นคํารวมนะคุณไปดเจ็ดศูนยนาพูดเองนะั่นเป็นคํารวมถูกแล้วถูกแล้วเป็นคํารวมนะทีนี้ในพระจักรีโดกก็อธิบายไปแยกชัดแล้วว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรนะโมเด็ตไปด้วยนะเอายืนยันตามเดี๋ยวไม่ต้องเปิดเราตรงกันนะก็คือสัญญาเวทนานะสลาเวทนาไม่เป็นไร เวทนาสัญญาเจตนาผัสมนสิกการก็ไม่เป็นไรตรงกันว่าเปคำรวมพูดก็ไปคำรวมคำที่เขอพูดมาคือเขาอ้างว่าพูดอ๋อคำว่านามรูปในปฏิสูบบาทเป็นคำรวม อ๋อถามหน่อยว่าใครสอนพ่อท่านอย่างนั้นคําว่านามรูปเป็นคํารวมเหร อ, อเร่าเขาว่าเราไปพูดคํารวมเหรออ๋อเอาเอาได้ได้อ๋ออย่างนั้นอ่ออย่างนั้นก็ก็เราพูดคํารวมเราพูดว่าเราก็บอกเป็นคำรวมถูกแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าเราพูดนผิดเอาเขาว่างั้นตามที่สุดเดนดาเขาว่างั้นนะคาว่านามรูปนี่เขาว่าเราเราไปพูดคารวมนี่เขาบอกไม่ใช่ซึ่งปฏิปิบดกก็ได้อธิบายแยกง อ, ยองแยกนี่เขาบอกแยกคําแยกไม่ใช่คํารวมนะอ๋อ เขาว่าไปคำแยกเอออย่างนี้แล้วอาตมามันเป็นคนมันก็ฉลาดนี่นะมันมันก็ฉลาดฟังแค่อ่าน่งนี้ก็ตีความไม่แตกเนาะก็ได้อธิบายว่าแยกชัดอยู่แล้วว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรเนาะนะนามก็คือสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมนัสิการโดยเรียกยานที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างนามกับรูปได้อย่างชัดเจนว่านามรูปปัปริเช ท, ทยานะไงจ๊ะ ฉะนั้นปทรจงอย่ามั่วน่ะอ่านที่จบก่อ น, นค่อยกลับมาขยายความตรงนี้นิดนึงน่ะแล้วคุณไปเจาจปรากฏบอกม่ออีกว่าเรื่องของเรื่องนันไม่ใช่อะไรปทรอพยายามจะแปลงคำสอนของพุทธให้เป็นสังคมนิยมปทรอพยายามแปลงคำสอนของพุทธให้เป็นสังคมนิยม อาตมาขอยืนยันนะว่าอาตมานี่ไม่ได้เป็นศิษย์าษากับไปการเมืองอะไรเลยสังคมนิยมประชาธิปไตยอะไรเนี่ยอาตมาไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหรหรอกอาตมาขอยืนยันจะหาว่างงงี่เลยเรามาเก่งธรรมะเก่งธรรมะอย่างเดียวมาปางนี่เก่งธรรมะอย่างเดียวนอกนั้นรู้อย่างไสเดือนกิ้งกือก็พูดอยู่ตลอดเวลานอกนั <of Jesus. im stuffing> ้นอาตมามีความรู้อย่างไสเดือนกิ้งกือแต่ ขอยืนยันว่าอาตมาคือพูดจริงใจนะพูดไม่ได้พูดคนขอพยมามันไสเลยอาตมาเก่งธงรรยยบบะ ม, ม, มะอย่างเดียวอาตมาก็ขอใช้คําว่าเก่งถ้าจะเก่งเลยอาตมาเก่งธรรมะอย่างเดียวอย่างอื่นอาตมาไม่ค่อยรู้นะเพราะอาตมาเองเนี่ยพยายามจะแปลงคําสอนให้เป็นสังคมนิยมอาตมาไม่แปลงเป็นสังคมนิยมอาตมาจะแปลงความเก่งที่เก่งที่เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าหรือคำสอนที่เป็นพุทธธรรมเนี่ย ไปเป็นคําสอนของสังคมนิยมให้มันฉลาดน้อยทําไมเห็นไหมแรกอาตมาก็บอกด้วยว่าแม้อาตมาจะรู้ความรู้ทางความเป็นสังคมนิยมหรือความเป็นคอมมิวนิสต์ความเป็นประชาธิปไตยแค่แต่เดินกินกือก็พอรู้ได้ว่ามั่นใจด้วยพ่าพุทธิมีลักษณะของความเป็นสังคมนิยมที่เหนือชั้นกว่าสังคม สังคมนี้สังคมเอ่อสังคมนิยมเนื้อกว่าคอมมิวนิสต์เนื้อกว่าสังคมนิยมเป็นข้อมูลที่ขั้นสาธารณโภคีเนื้อชั้นกวเยอะเนือชั้นกว่เยอะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรจะเอาสี่เหนื้อแล้วลงมาลงให้มันเป็นเตีๆๆ้ยจะบ้าเลยอาจจะมาว่าไม่บ้าไม่เมาได้ก็คงไม่โง่ด้วยที่จะมาทําเช่นนั้นนะ เพราะงั้นคุณเข้าใจไม่ได้คุณเข้าใจไม่ถูกก็เลยไปว่าอาตมาเป็นเช่นนั้นอ่าสุดท้ายคุณแปดเจ็ศูหน้าบอกว่านิพพานกับอเวจีนั้นห่างกันแค่เส้นได้อนิพพานกับอเวจีห่างกันแค่เส้นได้โพชิลัสสมาท า, านมิชฉาทิฏฐิปุบ๊บลงอเวจีปับ๊บนะอ้าวก็ว่าได้ว่าไปอาตมาไม่มีปัญหาอะไ ร, รว่าอาตมาก็ว่าไป อ่าคุณบอกว่านิพานกับอเวจีมันอยู่ใกล้กันแค่เส้นได้อัตมาว่ามันห่างคนละฟากฟากฟ้า ก, กับเหวกดเหวเลยนะนี่พานกับอเวจีเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยแต่คุณบอกว่าห่างกันแค่เส้นได้อก็ไม่เป็นไรคุณเองคุณเข้าใจของคุณว่าห่างมันแค่เส้นได้แต่อัตมาว่ามันคนละฝากฟ้าฟากเหวเพราะอัตมาไม่เล่นด้วยมันไกลกันอย่างไรดี ไ่้ตังมาแสดงวันนี้เป็นของเขาของเขาเองของเขาเฉียดอยู่ต่อดเวลาเลยไม่รู้ลงไปบ่อยๆหรือเปล่า <c oughs> อ่าตอนนี้กลับมาดอกที่คุณแปดเจ็ศูนย์ห้าวิจารเนี่ยบอกว่ารูปมียี่บแปดเท่านั้นแต่พอที่รั์ไม่รู้จริงจะเอารูป ก, กำนามามาปนกันมั่วอามาก็เห็นใจนะผู้ที่ยังเข้าใจไม่ได้ <c oughs> ก็จะสับสนวนเวียนอยู่นี่แหละ ไอ้เรื่องรูปเรื่องนามเนี่ยน่ะปนเปกันอยู่จนเจอเรื่องมู่จนกระทั่งคนที่ไม่รู้จริงก็ฟังฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้ก็จะหาว่ามั่วหาว่ามั่วความจริงรูปกำนามนี่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยคบว่ารูปกำนามผู้ที่จะรู้จักนามโดยแยกนามะมรูปปรปริเชทยานะอย่างที่คุณนีพูดเนี่ ย, อยบอกว่า ผู้ที่แยกรูปกับนามได้ชัดนะั่นคือผู้ที่มีญาณจริงๆที่ยกภาษาบาลีนามารูปปริเจตญาณนะมาเนะีนะ่ยมีไงจักเลยนะเนะี่ยจงอย่ามั่วเนี่ยนะก็เพราะอาตมาแยกรูปแยกนามได้ชัดไงถึงได้แยกละเอียดละเอียดในฟังเพราะฉนผู้ที่ฟังละเอียดละเอียดไม่ได้ก็เลยสับสนสับสนแปลว่ามั่วเพราะฉะนั้นคนสับสนจึงมั่วเมื่อตนเอง สับสนตนเองก็เลยฟังไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจก็หาว่าผู้พูดผู้พู ด, พดมัว่วที่แท้ตัวเองยังสับสนในการฟังฟังไม่เข้าใจฟังแล้วมันก็เลยสับสนไปสับสนมาก็เลยก็เลยมั่วก็เลยมืดก็เลยมัวก็เลยมัวยม่วนะเพราะมันสัมพันธ์กันรูปกับนามนะ ยังคุณแปดเจษฎาคือพูดมาว่าคุณแปดเจษฎาคือพูดว่าทุกอย่างมันมีมันก็มีแค่รูปกับนามถูกต้องที่สุดมันมีแต่แค่รูปกับนามแต่แค่รูปกับนามนั่นแหละมันเป็นคําตอบของผู้ที่เยาว่าศักดิ์แต่ว่ารูปศัพท์ตะวันนามทุกอย่างศัพท์แต่ว่ารูปตะวันนามคนที่สัแต่ว่ารูปแต่ว่านามไม่ใช่ภาษาพูด ภาษาพูดก็เป็นภาษาแต่สภาวะจริงคนที่มีภูมิธรรมถึงขั้นสักจว ร, ร, รูปนานุพระร翰พระร翰สักตะว ร, รูปนานาแม้แต่อนาคามีก็ยังไม่จะสักจว ร, รูปนานาอยังต้องทําความชัดเจนให้รูปเล่นนา ม, น, ามนี้มันสะอาดบริสุทธิ์หมดจนกระทั่งมีคุณธรรมสมบูรณ์จริงๆจึ ง, จ, ง, จ, งจะเป็นผู้ หมดบาปหมดบุญหมดรูปหมดนามเพราะทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยแล้วทุกอย่างมีแต่เหตุปัจจัยของรูปกับนามเท่านั้นเพราะผู้ใดที่ยังไม่ถึงขีดนั้นพูดไปก็ก็ปนถ้ายิ่งไม่รู้จริงพูดจะต้องเข้าใจไม่ได้ต้องสับสนแน่นอนอ่ายิ่งแพ่งนี่ะ เพ่งจับผิดจะไม่ชัดยิ่งจะไม่ชัดเพราะว่าถ้าตั้งใจฟังด้วยดีต้องฟังด้วยจิตสะอาดอที่ท่านกาชับกระจากันมากแล้วคนฟังต้องฟังอย่างอย่ามีปกติหรือว่าอย่ามีอะไรที่เป็นตัวตนตองฟังโดยจิตว่างหรือจิตสะอาดแต่เมื่อคนฟังไม่มีจิตสะอาดมีอะไรเป็นตัวตั้งเพื่อที่จะจับผิดแล้ว มันก็ลําบากนะมันก็ไปไม่รอดนะบางคนที่เห็นอะไรยังมันมั่วๆอยู่ mm. ก็เพราะเราเองเห็นยังไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ชัดเจนสับสนมันก็เลยมั่วจริงผูพ้พูดมั่วมีนะผูพ้พูดมั่วมีผู้ที่พูดไม่ไม่ไม่เข้าทา่ามั่วถ้าคนที่พูดมั่วมั่วแล้วนี่นะคน ฉลาดหรือโง่ก็ตามฟังแล้วก็มั่วไปได้วยกันหมดน่ะเข้าใจไม่ได้หรอกโดยเฉพาะเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติจนเกิดผลนะมั่วแล้วเข้าใจเอาไปปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเข้าใจแล้วมันไม่ใช่มั่วมันเอาไปปฏิบัติได้มันจะเกิดผลแม้แต่คนเข้าใจสิ่งที่ผิดเขาเก่เาไปปฏิบัติ เขาต้อเข้าใจได้นะสิ่งที่ผิดี่เขาก็ต้องเข้าใจไม่มั่วนะถ้ามั่วเขาปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาไปปฏิบัติผิดเขาก็ได้ผลผิดเท่านั้นเองนะอย่างพวกเราเนี่ยเข้าใจถึงเอาปฏิบัติได้ไม่ไม่มั่วแล้วพวกคุณฟังอยู่ทุกวันเนี้มั่วเปล่าอรรมาก็ท้าถามในบางครั้งบางคราวที่มันลึกละเอียดอรรมาก็ย้อนถามว่ า, านี้เข้าใจบ้างไหมก็ตอบว่าเข้าใจนะ อาตมาก็เออก็ยังพูดเยาวอยู่หลายทีเลยว่าเออทําไมฉลาดนักอะไรนี่แล้วก็เยาวตอบว่าหรือว่าอาตมาอธิบายดีอะไรนี่เนะ <c oughs> หรือเข้าใจหรืออธิบายเก่งหรือเข้าใจหรือว่าคุณฉลาดอ <c oughs> เอา้าถ้าคุณไม่ฉลาดก็อาตมาอธิบายเก่งหรือไม่ก็เก่งทั้งคู่ดีทั้งคู่อ่ า, อ า, านะเพราะงั้นอ่อ คำว่ า, านามกับคาว่ารูปนี่นะเดี๋ยวค่อยขยายความเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งขยายความนิดหนึ่งว่าบอกว่านามเป็นรูปก็ได้นี่เดี๋ยวค่อยขยายความ้วพูดอันนี้สะ ก, ก่อนพูดข้างล่างนิดสั ก, ก่อนว่าโดยอ้างคาว่านามรูปแบบผิดคําคว่านามรูปในปฏิสุบบาทนี้แยกชัดอยู่แล้ว คือแยกโดยยกอ้างเลยที่อาตมากขมายกอ้างในพระธปิฎกเล่มสิบหกมันว่านามมารูปอาตมาเอาิธปิฎกเลมสิบกมันด้วยอ่านอีกทีแล้วให้ชัดแล้วอาตมาจะยืนยันในฝั่งชัดขึ้นอีกทีหนึ่งเลยว่าท่านแยกและท่านแยกท่านหมายถึงอะไรกันแท้นามกับรูปแล้วท่านใช้คําจากบาลีมานี่คำในทิ้งท่านแปลมาเก็บมาครบนะในข้อสนะิบสี่นะวิพัฒนกสูนี่ข้อสิบสี่ท่านบอกไปนี้ ก็นามมารูปเป็นไนเวทน า, นนาสัญญาเจตนาผัสสะมนุษยกาลนี่เรียกว่านามคำว่านามมารูปถ้าเกิดตรัสไปครบผู้แปลัะหยิบ ม, มาครบคำว่านามมารูปเป็นไห น, นามมารูปคือมันเป็นคำสองคำานี่ยมารวมด้วยนะแล้วอาตมาเกาเคยไขความหมายด้วยว่านามมารูปคำสองคำเนี่ย นามที่ถูกรู้แปลว่านามมารูปถ้านามมากายก็คือองค์ประชุมของนามซึ่งก็ต่างกันกากคำว่ารูปประกายคือองค์ประชุมของรูปแยกไปฟังหมดแล้วแยกมาเยอะๆยะซึ่งต้องตั้งใจฟังนะนามมารูปก็คืออย่างนี้แหละ อันนี้บอกด้วยว่าที่ท่านแยกอย่างนี้เนี่ยก็คือในบริบทของปฏิจจสมุปบาทต้องเรียนตามนี้อย่างนี้นะคําว่านามรูปไม่ได้มีเท่านี้แต่นี่แหละคือหัวข้อสําคัญเช่นชาติมีอะไรบ้างมีชาติชาติสัญชาติอกกันติหน้า อ, อกกตินิพพติอภินิพพติอย่างนี้เป็นต้นห้าตัวนะั้นนี่ชาติเราเรียนห้าตัวนี้นะแล้วก็จะรู้แจ้งหมด แต่ตรงจะลวนมันมีขั้นตอนในอัตมาอธิบายสู่ฝังอันนี้ก็เช่นเดียวกันต้องใช้องค์ประชุมของนี้แหละนามมารูปนี่ถ้านามมารูปนี้นามกายของอันนี้ก็คือเวทนาสาัญญาเจตนาปะะัตตมานัสิกาเนี่ยองค์ประชุมของอันนี้ทั้งหมดเรียกว่านามกายทีนี้กล่าวถึงนามมารูปนามที่ถูกรู้คุณจะต้องรู้คําว่านามมารูปแปลว่านามที่ถูกรู้ เพราะฉะนั้นยานคุณต้องมี ย, มยานต้องมียานแยกนามแยกรูปออกเพราะฉะนั้นเมื่อแยกทำนามความเป็นนามคุณก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือเวทนาอาการอย่างนี้นะสัญญาคืออาการนี้นะมีองค์ประกอบอย่างนี้นะเจตนาอย่างนี้นะผัสสะอย่างนี้นะมณสิการอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในความเป็นนามในที่นี้เนี่ยทิ้งผัสสะ อาต่าก็ย้ำนักหนาว่าอย่าทิ้งผัสสะแต่ถ้านทิ้งผัสสะกันก็บอกว่านั่นไงผู้ปฏิบัติทิ้งผัสสะนี่จบเลยเพราะเข้าไปอยู่ในน้ำแล้วก็ไปอยู่ในพบหลับตาทิ้งผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายหมดไอเจงไงเพราะมันไม่ครบแล้วก็ท่านในปฏิบัติบท บ, บาทเนี่ยท่านบอกว่าจะต้องเรียนจะ ต, ต้องไปทิ้งอันนี้ตัดทิ้งไม่ได้ โดยเฉพาะทั้งพัรษะและมณฑสการมณฑิ ก, การยิ่งชาปคุณจะต้องทําต้องมณฑิ ก, การเป็นทํามณฑสการไม่เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นบรรบทบาทของนามมาทำแท้ๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ท่านก็บอกว่านา ม, มารูปเป็นชนัยเวทนาสัญญาเจตนาผัรสมณฑิ ก, การนี่เรียกว่านามก็แยกเป็นว่านามหน้าห้าประการนี้ มหาพูทธรูปน่ะมหาพุทธรูปและรูปที่อาศัยมหาพุทธรูปนี่เรียกว่านามและรูปเห็นไหมท่านก็แยกมาชัดเจนว่านี่นามและรูปถ้าแปลมาครบนะถ้าไม่ได้บอกว่านี่คือรูปอย่างเดียวนะมหาพูทธรูปกับรูปที่อาศัยมหาพุทธรูปสี่นี้เรียกว่ารูปนามและรูปนะ ดังพนามนี้นี่เรียกว่า น, นา ม, มารูปนี่เรียกว่า น, นา ม, มารู ป, ปรเพราะฉะนั้นนามและรูปทั้งสองอย่างนี้เอาเทนี้ฟังตรงนี้ให้ชัดอีกเลยตนะั้งใจฟังดีๆในการพิจารณาสติปัฏฐานสีมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิต ทำในรำมีคําว่าในด้วยนะต้องย้ำต้องกระชับคําว่ากายในกายคืออะไรฟังดีดีเลยนะนี่คุณคนนี้บอกว่าแล้วแล้วอยู่ดีๆคําว่านามรูปเนี่ยก็เอเออะไร ม, ะอรมหาว่ทยาลัยรรมว่าไปเอานามมารูปมาปนกันเอานามรูปมาปนกันมั่วนะ านามารูมาปมปนกันมั่วกว่าท่านแยกแยกก็เหมือนกันก็นแยกศีลสมาธิปัญญานี่แหละสายที่เรียงกันนี่จะไม่เป็นองค์ธรรมองค์รวมไม่เป็นเลยทุกอย่างเป็นองค์รวมแต่ว่าเวลาจะกล่าวเท่านั้นที่เป็นการกล่าวแต่การเรียนรู้นี่ทุกอย่างบอกทุกอย่างไม่มีอะไรขาดจากกันศา ส, สนาพุทธกระจรู้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยิ่งกว่าไอน์สไตน์อาตมาก็าเคยพูด ที่วันใ น, นมหาจักรวาลนี้ทุกอย่างเรเลทติสทั้งนั้นตอนนื่องสะพันกันไปหมดอิทธิปัจยตาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าคนปฐมก่อนแต่ก็ไปหั่นของท่านส่วนการจะบอกว่าอันนี้ตัดแบ่งมารู้อั น, นี้ก็เป็นการตัดบทบอริบทกันเท่านั้นเองตัดบริบทมาพูดมาอธิบายแต่ละบอริบทเท่านั้นเอง แต่ทั้งหมดไม่มีอะไรขาดกันเลยเพราะฉะนั้นนี้ก็เช่นเดียวกันนามรูปขาดกันไม่ได้อยู่องค์รวมนะแต่มหาวัาตถามาเอามารวมกันคุณตั้งหาไปตัดแยกของท่านในบริบทเดียวกันนามพระรูปอะฟังเข้าใจไหมนามกระรูป ม, มันต้องปฏิบัติในปฏิสมุบบาทนี่ โดยเรียกนามรูปกระทั้งนามตั้งรูปก็แบ่งอยู่แล้วนี่ว่านามมีอันนั้นบ้างรูปมีอันนี้บ้างต้องอยู่เป็นในบริบทเดียวกันรวมกันตรงใช้ทั้งหมดคุณไปแยกทํำไมแล้วคุณก็ไปแยกทิ้งกันอีกตัดอีกเหมือนตัดศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นตอนหรือตัดอื่นอื่นอีกเยอะแยะเลยตัดทำมโนุตัตละข้อแต่ละข้ อ, แ ต, ขอแต่ละสูตรหันไม่หมดมันก็ไปกันใหญ่สินี่ไม่เข้าใจคําว่าบริบทด้วย น่ต่อฟังเมื่อกี้นี้ว่าจะขยายตรงนี้จะเข้าใจดีตั้งใจฟังเอาสภาว่าเป็นหลักเนะ่ยอย่าพยันชนะเนี่เราทําให้มันเลยกายในกายนี่คือองค์ประชุมของสิ่งที่ผัดสักข้างนอกมามาเป็นกายก่อนกลายเป็นต้นๆพอสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัส สิงที่จากรูปรสกิ่นเสียงสัมผัสผลสัมผัสแล้วมันก็เกิดรวมกันเข้ามาเป็นจากมหาภูตรูปสี่เข้ามาเป็นอุปาทายรูปสี่เลื่องกันเข้ามาอุปาทายะเข้ามาเป็นกายในกายและอาตมาก็ ย, ย้ำวิญญาณไม่ได้ขาดตาก็ยังลืมอยู่นะยัง เห็นอะไรอยู่หูก็ยังได้ยินเสียงอยู่น้าไม่ได้ขาดนะแต่ประชุมกันไปเป็นกายเป็นองค์ประชุมเมื่อเป็นองค์ประชุมแล้วจากตามันก็ต่อเนื่องกันไปเห็นเป็นรูปรูปเป็นร่างเป็นกายองค์ประชุมของกายเป็นรูปเป็นร่างถ้าจะดูรูปของรูปดูรูปของรูปหรือรูปผู้รูปประรูปมันก็จะเห็นรูป กายในกายทีนี้พกเป็นกายในกายก็ไปถึงรูปฟังทั้งอ่านจิตใจตัวเองนะพอคนเจอรูปแล้วคุณจะเกิดความรู้สึกไหมทังให้ดีนะอาตมากำลังขยายสภาวะนะไม่ได้เอาไปานชนะนะพอสผัดรูปแล้วคุณก็เอดสภาพหนึ่งเรียกว่ากายององรวมองค์ประจุมของข้างในมันเป็นรูปเป็นภาพข้างในคุณแล้วละ่ะ ในปลาในรูปในภาพข้างในบางคนนี่มันมีความเป็นความรู้สึกไหมมันเป็นสังขารธรรมที่ปรุงแต่งเนความรู้สึกปักเลยใช่ไหม mm. เมื่อมันเป็นความรู้สึกพยัญชนะก็มาเรียกกายในกายตัวนี้ ว, วา่าเวทนาเข้าใจไหมพอมันไปเป็นกายในกายในกายแล้วภาพต่อเนื่องกันมามันก็จะเป็นสังขารธรรมปรุงแต่งอยู่ในจิต ใช่เมื่อปรุงแต่งอยู่ในจิตก็เกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์รู้สิ่งนั้นก็เป็นเวทนาความรู้สึกหรืออารมณ์รู้เนี่ยรู้สภาวะที่มันเกิดสังขารขึ้นมาปรุงแต่งผลสัมผั์รูปนี้มันเกิดสังขารปับ๊บเก็ปรุงแต่งเป็นวิญญาณจะได้ แต่พ า, ารูมันก็รู้ก็จังนี้ขึ้นมาถ้าวิญญาณนั้นมันโอ้ยชื่นใจเป็นอิถารมเป็นเทวดาหรือผีเทวดาหรือผีเป็นส ม, มุติเทวดาพวกเรารู้จักเทวดาแล้วไม่จาเป็นจะต้องใส่ชน ด, ดาไม่จําเป็นจะต้องเห็นแขนเห็นขาแต่เห็นอาการของจิต ถ้าคุณสังเกตอานิมิตเครื่องหมายข้ออาการอย่างนี้อ้ออาการชอบใจมันเป็นอย่างนี้อาการสุขเวทนาหรืออาการอิทถารมมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอารู้อารมณ์อิทธารมถ้าคุณเรียกว่าเออมันชื่นใจชอบใจมันเป็นสุขสบายดีคุณก็เรียกว่าเป็นสุขเวทนาหรือสมมนัตเวทนาใช่ไหมนี่คือพยัญชนะที่อธิบายสภาวะธรรม อาตมาก็อธิบายมางี้แหละวันนี้ตั้งใจจะอธิบายให้ละเอียดเลยว่าอธิบายผลมั่วอาตมาไม่ได้มั่วเป็นการเรียนสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเมื่อกายในกาย ก, ายก็เป็นอุปาทายรูปแล้วมันก็จะต่อเนื่องกับอธิบายอยู่ด้วยภาษาว่าอุปาทายุคือกายที่ต่อเนื่องเข้าไปจากมหาภูทธรูปแล้วก็ไปขึงเวทนามันก็เป็นเวทนาดังที่อาตมาอธิบายนี้ แล้วคุณก็ไปเรียนรู้เวทนาในเวทนาอีกว่ามันมีเหตุอะไรขก้นถึงสุงขเกิดถึงทุกข์ต่อไปอีกอัตมาจะจบตรงนี้พะมันเลยกายแล้วประเดี๋ยวจะยาวเกินไปมันจะเดินไปต่อจิตอีกต่อธรรมะอีกมันจะยาวไปเลยมันเลเจตนาจะอธิบายสติปัฏฐานสี่เจตนาจะอธิบายแค่อยู่ในกรอบบริบทของคาว่า ก, กายเฉพาะเรื่องนี้เท่านี้ก่อนนะใช่ไห อาตมาไม่ได้มั่วแต่อาตมาอธิบายแล้วมันไม่ละเอียดเท่าวันนี้วันนี้ถ้าคุณแปดเจ็ดศูนย์้าตั้งใจฟังดีๆไม่มีอคติใดๆอาตมาเชื่อว่าปัญญาระดับคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าอาจจะก็เป็นมั่นใจทีเดียวหรอกอาจจะเข้าใจบ้างก็ได้อาจจะเข้าใจถึงขั้นดีก็ได้อาจนาอาจนะ วางไปดำ ร, รวมๆแรงอนี่อาตมา ก, ก็ขยายความตรงนี้ให้ฟังนิดนึงพอเข้าใจละเอียดขึ้นนะได้ประโยชน์นะใช่ไหมไม่ได้เป็นไม่ได้มั่วแม่อะไรเลยพอะอาไปมันฟังแล้วมันไม่คดีมั่วแม่ไปออกภาษาแม่เมือ่อขึ้นมาไม่ได้าาภาษาพ า, าไปเนาะมันไม่ได้มั่วเมื่ อ, อเออใครเชื่อนะแม่ มันมันไปออกเป็นแม่ไดงเมื่อก็เคยชื่อไม่ได้มั่วเมื่ออะไรหรอกนะฟังแล้วมันน่ามันดูยังไงไม่รู้น่าฟังไปคำมั่วแม่เนยมันไม่ดีนะแล้วเพราะง้นลัดมากระทวงแล้วคุณต่างหากไปแยกรูปแยกนามของท่านเกินไปเพรานนามรูปมันก็ชี้ชัด ท่านจริงๆท่านจะเรียกคําว่ารูปกับนามเนี่ยท่านจะเรียกของห ย, ยากก่อนของละเอียดท่านจะเรียกรูปก่อนนามนี่ก็ตั้งขวาสังเกตในฟังแต่อันนี้ท่านเรียกนามรูปและท่านก็อธิบายนามก่อนรูปอีกเห็นไหมในตําราในพระพธปิฎกก็นามก่อนรูปอธิบายนามได้แก่อะไรได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนติการ ลูกก็แต่แกมหาพุทธรูปกับอุปาทายรูปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ฟังเข้าใจกันแล้วกันว่าอาอาตมามั่วอาตม า, าอาตมาไม่ได้มั่วนั้นอย่างหนึ่งสองอาตมาก็ติงคุณกลับไปว่าคุณตังหากเหาะจับสนอธิบายไปก็เข้าใจไม่ได้แล้คุณก็เอาคําว่ามั่ว น, นั้นที่คุณสับสนนั้นมาโยนให้อาตมา คุณรับคือไปสักสักบั้งธนาคุณรับไปสับั้งที่จริงอัตมาว่าคุณไม่ได้มั่วหรอกเพราะว่าคุณมั่วไม่เป็นแต่คุณสับสนน่ะคุณไม่เข้าใจอะคุณสับสนน่ะมันก็เลยเป็นสภาวะเนี่ยเมื่อคุณสับสนคุณเลยหาว่าคนอื่นมั่วอัตมาไม่ได้มั่วคุณเข้าใจรายละเอียดของอัตมาไม่ได้คุณสับสนและคุณก็เอาคํามามั่วมาโยนให้อัตมาน่ะ คุณไม่มั่ที่เดียวแต่คุณตูคุณตูอัตมาน่าว่าอัตมานี่ไม่เข้าใจจริงหรือผิดอัตมาลองอธิบาย ล, ละเอียดซับซับซับซ้บบอนลงไปอีกให้ฟังว่าความเป็นจริงมันเป็นเช่นนี้น่านี่คือในรายละเอียดของอันนี้น่าเพราะงั้นคาว่านามมารูปเนี่ยถ้าศึกษาไปแล้วรูปคุณรู้มาก่อน รูป ร, รูปคือดินน้ำไฟลมต่อเข้ามาเป็นอุปาทานยรูปเมื่อสติปัฏฐานสี่กายนอกกายเมื่อเป็นรูปแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วมันอันนั้นเป็นเหตุปัจจัยเมื่อเป็นเหตุปัจจัยมาแล้วมันจะเกิดทุกข์สุขมันที่ใจแล้วตอนนี้คุณต้องมาพิจารณาใจที่ละเอียดต่อไปเพราะฉะนั้นจึงมีนามที่ถูกรู้และองค์ประกอบของสิ่งที่มันรวมกันเนี่ยประชุมกันอยู่ทั้งหมดนี่ มันก็ไม่ขาดรูปประกายองค์ประชุมคือกายองค์ประกอบทั้งของรูปข้างนอกด้วยแล้วก็มาถูก ร, รูปมันมีสองความหมายหนึ่งคือรูปที่มันเป็นตัวข้างนอกหยาบหมายถึงมหาภูจะรูปโดยตรงกับสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปเอามาอยเกิดตากระทบสิ่งนี้ข้างนอกเนี่ย มันก็ถูกรู้กันมามันจึงเป็นนามมารูปถ้าไม่มีนามอธิบายซ้ำอีกเคยอธิบายแล้วแล้วคุณจะรู้ไหมตัวมันเองมันไม่มีนามนี่ยมันรู้ตัวมันเนี่ยมันมันแตกกันอยู่นะเนี่ยเนี่ยสองลูกนี่มันแตกกันอยู่นะดอกไม้เนี่ยมันรู้ไหมว่านี่ไอ้เฮ้ยน่าหนักไม้เราอยู่ข้างบนนาดอกไม้มันถามไอ้เจ้าเนี่ยมันถามฟักข้าวนะ เอ้ยหนักไหมเราตั้งทับอยู่ข้างบนมันรู้เรื่องไหมมันไม่มีน้ำเพราะนั้นมันจะรู้มันต้องมีน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำมันไปรู้มันก็มีสิ่งที่ถูกรู้จึงได้วานน้ำมารู้เข้าใจกันขึ้นมาบ้างไหเนี่คุณเมื่อยไหมเมื่อยฟังอ่ะ ไม่เมื่อยนะเออไม่เมื่อยผมพูดต่อกันกลัวคุณฟังเมื่อยนะเพราะเรื่องนามรูอส่วนรูปประกายที่นี่ขอแยกตัวนี้อีกนิดหนึ่งสียก่อนว่าส่วนรูปประกายจะนามกายนั่นอนะ่ะองค์ประชุมของรูปบวกนามเรียกว่ารูปประกายเพอีกทีนึ่ องค์ประชุมของรูปบวกนามเมื่ี้บอกแล้วมันมีแต่รูปมันไม่รู้เรื่องหรอกมันองค์ประชุมของรูปบวกนามเรียกว่ารูปประกายถ้าจะเรียกว่ารูปโดยเฉพาะมันไม่มีองค์ประชุมอะไรเลยก็คือรูปปรรูปรูปเท่านั้นมันแต่รูปกับรูปมันไม่มีนามมันไม่เกี่ยวกันนามมันเป็นรูปองประชุมมันไม่เป็นองคประชุมแล้วมันรูปตัวมันเองรูปรูป หรือมันจะถูกรู้ก็มันคือมันตองถูกรู้บอกว่ารูปรูปว่าคือนี่แนะไอ้ลูกพักข้าวแดงๆตัวนี้น่ะคือรูปรูปมันมันก็รู้มันก็อยู่ข้ามันอย่างนี้มันก็เป็นรูปรูปข้างมันย่งมันไม่รู้ตัวหรอกใครจะรู้มันหรไม่รู้มันแล้วมันจะรู้ใครมันรู้ใครใครไม่รู้มันมันก็ไม่รู้ใครมันอยู่ข้างมันอย่างนั้นนะรูปรูปอ่ะเมื่อยเมื่อย เพราะงั้นเมื่อเป็นรูปรูปรูปองค์ประกอบองค์ประชุมของรูปนามรูปกับนามเนี่ยนะถ้ารูปกายเนี่ยเขาเรียกองค์ประกอบของรูปกับนามเรียกว่ารูปกายเรียกว่ารูปกายถ้าไปเรียกว่ารูปรูปก็ไม่เกี่ยวกับองค์ประชุมอะไรนะรูปกายนะไม่ใช่อรูปรูปหรือแม้แต่คําว่ารูปธรรมก็ไม่ใช่ รูปธรรมเมื่อคืนนี่มันทรงไว้ ए, ซึ่งรูปมันทรงไว้ของมันอยู่งั้นน่ะของมันรูปธรรมนามธรรมก็ทรงไว้อยู่ที่ตัวรู้ถ้ารู้ถ้าเป็นธาตุรู้ตรงไหนก็ตรงนั้นนามธรรมาถ้าไม่ใช่ธาตุรู้มันก็ไม่ใช่นามธรรมเช่นเดียวกันกับนามมารูปตัวใดที่มันเป็นนามมารูปมันเป็นตัวถูกรู้นามตัวถูกรู้เมื่อกี้ในกายในกาย กายมันเป็นองค์ประชุมมาจากต่อมาข้างนอกองค์ประชุมจัดข้างนอกานอกายนอกมาเป็นกายในในกายในเป็นองค์ประชุมนี้มันก็เกิดเป็นรูปที่มันเกิดเป็นสังขารข้างในพอสังขารข้างในคุณก็มีนามความรู้สึกรับรู้เป็นสังขารเลยเห็นปั๊บโอ้รูปนี้รูปแดงอย่างนี้เป็นงนี้ปั๊บอุปทานกิเลสอะไรคุณแค่ปรุงแต่งปั๊บเป็นสังขารเออชอบไม่ชอบอะไรไแล้วแต่เป็นสังขารปรุงมาก็ามันก็เกิดเวทนา ใช่ไหมมันก็ถูกรู้ตัวมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่รู้ตัวแต่ตัวญาณปัญญามันไปรู้อันนี้อันนี้คือนามมรู้อันนี้คือตัวถูกรู้ตัวที่ไปรู้นั่นคือตัวเรียนตั้งใจเรียกว่าสัญญากําหนดรู้สัญญากําหนดรู้อะไรญญกําหนดรู้เวทน า, ญญากําหนดรู้อารมณ์ ก็กําหนดรูปกายในกายที่มันพบจากข้างนอกมาครึงข้างในกายในกายนี่เป็นสภาวาธรรมข้างในกายนี้กายในกายที่มันเข้าไปเป็นอุปาทายรูปเนี่ยแล้วมันเกิดเป็นสังขารธรรมที่เป็นกายในกายเนี่ยคุณก็รู้ตรงนั้นโดยมีท่าที่ต้องศึกษาต้องตั้งใจฝึกอ่านมันอ้ออารมณ์มันเป็นอย่างนี้ ก็รู้ว่าอารมณ์ของการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารนี้คุณเกิดวิชาขั้นตน้นคุณรู้จักสังขารแล้วและธรรมกธิบายแล้วสังขารนี้คือเวทนามันปรุงแต่งสังขารจิตตัวนี้เป็นเวทนาปลุกปุ๊บดวิชาพออวิชาปั๊บมันก็สุกกระทุกปรุงเลยคุณยังไม่ได้เคยไปแยกไอ้กิเลสออกรู้จักจั บ, จบตัวสั ก, กายะได้แล้วก็กําจัดสั ก, กายะกําจัดตั ว, ตว ก, กิเลสคุณยังไม่ได้ทําเพราะคุณ คือคนามันแต่ถ้าคนปฏิบัติและปฏิบัติเป็นจึงจะไปเรียนรู้และรีบหาเหตุเพราะหาเหตุได้ถึงจะ ก, กำจัดกิเลสออกคุณก็เปลี่ยนสังขารธรรมได้เปลี่ยนสังขารอยากให้กิเลสมันพอกาจัดกิเลสได้มันก็ไม่ไปปรุงแต่งร่วมมันก็เกิดสังขารในข้างในเป็นวิจีสังขารขึ้นมาก่อนมันก็จะเป็นวจีสังขารที่ไม่มีเหตุ อหตัวกับจิตจิตที่ไม่มีเหตุนเพราะงัมันก็จะเป็นเหตุที่มันมันไม่ได้ไปปรุงร่วมไม่มีเหตุตัวที่เรากระจัดคำจัดมันแล้วขจัดมันแล้วมันก็ไปปรุงสะอาดนี่คือสัจธรรมที่ทำไม่ง่ายแล้วต้องทำได้มันก็เป็นจริงถ้าใครเข้าใจเอาไปทำไม่ได้นะอ่า ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำให้ได้ดีไหมเข้าใจไหมเรือจะไปทำเรือจะไปทำให้จริงนี่คือความละเอียดละออของสิ่งเหล่านี้นะเพราะงั้นคำว่ารูปประกายนี่จึงทั้งรวมไปทั้งรูปและนามเรียกว่ารูปประกายนะนามกายนั้นคือองค์ประกอบของจิตกับเจตสิกธรรม เจตสิกธรรมที่เป็นนาม ก, กายโดดๆตอนนี้เราตัดเป็นบริบทของคำว่านาม ก, กายนะเขานาม ก, กายซึ่งผู้ที่สูงแล้วเจริญแล้วเป็นโซดาเป็นสักิทและอนาคาขึ้นไปรูปข้างนอกไม่ต้องเกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งอาตอมาก็เคยอธิบายให้ฟังมาแล้วว่าผู้ปฏิบัติตอนแรกนะปฏิบัติตั้งแต่กายการมภพกายกามภพพอปฏิบัติกาย <c oughs> กามภพที่มีกาม <c oughs> คุณแช่หน่อยนึงขั้นอ น, นีก่ก็ไม่ได้พูดเลยกาัไม <c oughs> ่ทำก <c oughs> ายกายมันไม่ทำงานเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> พอกูเริ่งพยายามที่จะ <c oughs> ยำ้ำให้เราเข้าใจคือคือต้องเห็นใจอย่างหนึ่งว่าอย่างคนที่เขาพยายามศึกษา ถ้ากว่าเขาจะเข้าใจสะพยาน จ, จดจําภาษามาได้เนี่ยมันมันมันยากมากเลยแต่คนนี้เขา <c oughs> เขาไม่สามารถที่เข้ามาอ่าน จ, จิตใจเข้ามาเรียนรู้เรื่องจิตใจได้เนี่ยงั้นเขาก็จำแค่ภาษาแล้วก็จําภายนอกแต่นี้พอมาปฏิบายเรื่องเรื่องจิตภายในแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าหนึ่งไม่เขาโม่วกับเรามั่วแล้วะ <c oughs> พอมาเลือกอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าพอพอครูจะมาอย่างนี้พวกเขารู้สึกว่ามั่วมั่วไปแล้วไปเอาภาษามาปนเตะกันไปหมดอะไรอย่างนี้ อ, นนน อ, อันนี้บนข้อต่ออต่อนะเพราะงั้นในเรื่องของนามมกายเนี่ยมันเป็นเรื่องของนามคือตัวาธาตุรูป เ, เราไม่เอาคําว่ารูปมาร่วมตอนนี้นะหรือแม้คําว่ากายองค์ประชมุมเราก็เราก็ตัดคําว่ารูป แต่ยังมีคําว่าที่สิ่งที่ถูกรู้โดยนามธรรมาอยู่นามนะตอ น, นามกายเนี่ยนามธรรมามันยังมีสิ่งที่ถูกรู้เฉพาะนา ม, มากายคือถ้ากายก็ข้างนอกต้องอาสายตาของจมงูกดึนกายข้างนอกในอนาคามีภูมิขั้นต้นเรียกว่ามียังเหลือกิเลสหยาบอยู่เป็นรูปราคะ ร, ร, รูปรูปรูปรูปราคะคือราคะหรือกามแต่มันไม่ใช่กามแล้วเพราะกามมาพบนั้นอนาคามีได้อยู่เนื้อมันแล้วตัดกิเลนได้แล้วอยู่เนื้อมันแล้วโดยไม่ได้ดับดับตาดับัวอะไรไม่ได้หมายความวาไม่สัมผัสมันสัมผัสเลยอยู่เนื้อมันแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้มไม่ไม่ก่อให้เกิดกิเลสอะไรได้แล้วอแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในพบในภูมิใน ว่าพวังอะไรของพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติลืมตาเป็นจักคุมาปริิีภพโพติเป็นการนิพพานแบบลืมตาตาลื ม, มจักขุ ม, มีปัญญามีญาณมีวิชามีแสงสว่างไม่ได้ไปไปิดหูปิดตาใดแต่รูปก็คือรูปนี่แหละคือสัจธรรมรูปเรนานามเพราะเรนนาม น, นี้ขะ อ, อ, อนาคาจึงสัจธรรรูปันานามแล้ว นิโรธแล้วทีนี่คําว่ารูปที่เหลือเป็นรูปประพบในภวะตัณหาของพระอนาคามีที่เหลือมันก็คาบเกี่ยวระวังข้างนอกแต่ภาวะข้างนอกแสดงออกหรือต้องสุขต้องทุกข์เพราะต้องปรุงแต่งกับข้างนอกไม่มีแล้วสาหรับพระอนาคามีก็ยังเหลือแต่ส่วนตน เพราะฉะนั้นจะปฏิบัติโดยผัสสะข้างนอกก็ดูเหนือเพื่อทําความรักษาผลสัมผัสข้างนอกอยู่ก็ทําเพื่อรักษาผลของตัเองเรื่อยๆกงพยายามสัมผัสในรูปก็จะเกิดการสั่งสมลงเป็นความควบแน่นไปเรื่อยๆส่วนการปฏิบัติข้างในนั้นท่านไม่ต้องอาศัยข้างนอกก็ได้จึงเรียกว่าอารูป จึงเรียกว่าอารูปไม่ต้องเป็นรูปไม่ต้องเป็นรูปาปรูปังไม่ต้องเป็นรูปแต่ข้างในก็ได้โดยใช้สัญญากาหนดสำเร็จด้วยจิตเอามาศึกษาเพราะฉะนั้นอันนี้คือนามกายโดยเฉพาะเจตสิกสัญญาสังขารก็ยังปรุงแต่งองตนเองอยู่ ภายในเท่านั้นเองอย่างนี้คือนามากายโดยเฉพาะบริบทของพระอนาครมีนี่คือความละเอียดที่ขอ อ, อธิบายเพิ่มเติมขึ้นไปอีกทั้งนิดนึงนคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่ต้องขอบคุณหรือไมขอบคุณนะเพราะว่าเป็นผูท้ที่ตั้งประเด็น มาให้เราได้เอาประเด็นอันนี้มาใช้ในการอธิบายได้อถ้าอาตมาไม่มีคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าทำว่ามาอย่างนี้อาตมาก็ไม่คิดนะ่ะประเด็นนี้ก็ไม่เชื่อจะไปคิดเรื่องอื่นไปหลายอย่างอีกเยอะมันมีเยอะนะ่ะแต่ทีนี้เรื่องนี้แล้วมันก็อยู่ในบทด้วยบทที่อาตมากําลังอธิบายเรื่องกายเรื่องรูปเรื่องนาเรื่อ ง, อ, ง, อ, ง, อ, งอะไรพวกนี้อยู่พอดีมันก็เลยได้ นะมันก็เลยได้อะไรที่เพิ่มเติมอยู่ตรงนี้นะนี่คือรายละเอียดที่อจะมาได้ประโยชน์จากคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าที่เอามาทําประโยชน์ต่อนะไม่ใช่ได้ประโยชน์จากความรู้แต่ได้ประโยชน์จากความติงการติงของ อ, อคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าก็ต้องขอบคุณนะทีนี้ การเป็นกายฉีนี้กลับมาที่คำว่ากายคาเป็นกายต่อคำเป็นกายนี้อาจามาได้อธิบายมาหลายทีแล้ววันนี้ก็ขยายคำว่ากายแม้ที่สุดอาจามาได้ขยายคำว่ากายไปถึงขั้นถึงขั้นสูงเลยนะถึงขั้นนิโรธสัญญาเวทีเจตนานิโรธ ก็ยังมีคำว่า ก, กายซึ่งคำว่า ก, กายนี้ได้หยิบมาจากบิญญาณทิฏฐิเจ็ดกับสัตวะก้า 9, มาขยายความเป็นหลักโดยพาดิงไปถึงคำว่า ก, กายอู่นๆีเจอะแม้แต่คำว่า ก, กายในลิโมกแปเป็นต้นก็พาดิงไปถึง หรือกายอื่นๆที่อาจมาเอามาขยายเมื่อวานนี้แล้วมุกี้ก็อ่านทวนไปแล้วกายกลลิกายสตะกายคุตติกายดะกายตัปปณะกายธระธากายปฏิปทากายนุกายานุปัสนานกายานุปัตสีกายยะปริยันติกะอะไรพวกนี้ขอไปที่ไม่ได้แปลแต่กุแปลไปบ้างทบทวนซึ่งไม่ง่ายหรอกถ้าโปรไม่ได้เรียนมาจริงๆไม่ง่ายนะ หรือแม้แต่ากายดื่นโดยเฉพาะคำว่ากายคตาสติหรือว่ากายคตักายคตาอาตมาเจตนาจะอามอาธิบายวันนี้ถือเป็นตบิดกเล่มยี่สิบที่พูดถึงกายคตาสตาาิท่านแยกแยะเอาไว้อย่างสำคัญกายคตาสติอันชนเหล่าใด ได้ไม่บริโภคไม่ปฏิบัติไม่บริโภคก็คือไม่ไม่ได้แอบไม่ได้รับประทานไม่บริโภคเพราะฉะนั้นถ้าเผยว่าใครไม่ได้ปฏิบัติกายคตาสติจนเกิดอาหารจนเกิดเป็นอาหารจนเกิดเป็นสิ่งที่คุณได้อาศัยได้เป็นประโยชน์แท้นะกายคติ เอาข้อ236การฆตาสิตอันชนเหล่าใดไม่บริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่บริโภคแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ถึงขั้นอมตะข้อ235ก็บอกถึงอมตะก่อนก่อนข้อ236นี่ท่านบอกว่าชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสิตชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะ นีชนเหล่านั้น ย, อย่อมไม่บริโภคอมตะดูกระพิสูจน์หลายชนเหล่าได้บริโภค ก, กายคตาสติชนเหล่านั้นย่อมบริโภคอมตะโอ้โหน่าอร่อยไหมยอยากได้ไปบริโภคไหมเนาะโอ้โห อ, อาหารมื้อนี้คงเอาสั่ง อ, อมตะชามคงต้องใส่ขาชามเพชรมาเนาะ ชามทองต้องยังน้อยไปเนาะต้องใส่ชามเพชรมาเลยเนาะอมตะอมาตะชามนผู้ที่ต้องเอาอมาตะมาเสิร์ฟนี่ต้องใส่ชา ม, มาเพนะชร ม, ชา ม, นะมาแล้วอมตะ1หนึ่งชามชามเท่าไหร่หาค่าอกไม่ได้ตีราคาบ่กได้เนาะอ่ชนเหล่านั้นย่อมชื่อ บ, บริโภคกรรมตะ ภาษาพระเจปิฎกภาษาคนนี้มันมันไพเรอแล้วมันสูงมันลึกซึ้งนะอัตมามาขยายความไม่เห็นเป็นภาษาง่ายๆเป็นภาษารุกทุ่งนะอันต่อมาท่านก็บอกกายขัตาสติอันชนเหล่าใดไม่บริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่บริโภคแล้วก็แน่นอนกลับกันท่านใหชัดขึ้นไปพูดกลับไปกลับมาให้มันชัด ดูกรณีส่ทั้งหลายกายข้าตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้วเอามาตะชื่อว่าชนเหล่านั้นบริโภคแล้วกลับกันไปกลับกันมาต่อมากายคตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมแล้วเอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าเสื่อมแล้วกายคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมแล้วอมาตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่เสื่อมแล้วกายคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้ว กายคตาสติอัญชนเลาวได้ชอบใจแล้วอมตะชื่ออ่าอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบแล้วในชอบใจแล้วนะก็จะมีอ่าเลื่อนไปอีกนะกายคตาสิงห์ชจริญลาวดชื่อว่าประมาทนะชื่อว่าประมาตอมตะชนเหล่าวได้ไม่ไม่ประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาตอมตะ กายขตานสติอันชนเหล่าได้หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นหลงลืมกายคตานสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมนะกายขตาสติอัญชนเหล่าใดไม่ส่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่ซ่องเสพแล้วดูกระพาสุดทั้งหลายกายขตาสติอัญชนเหล่าได้ซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้ว อมตะกายกตาสสีอัญชนเหล่าใดไม่เจริญแล้วอมตะเอ่ออมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้วกายกตาสสีอัญชนเหล่าใดเจริญแล้วชื่อว่าอัญชนเหล่านั้ น, น, นเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็กลับก็ชัดเจน อ, อตาตมาเน้นเต็มตัวประเด็นแล้วกันอ่าชนเหล่าใดไม่รู้ด้วยปัญญาถ้ารู้ด้วยก็เป็นผู้ที่รู้ถ้าบูรู้ไม่รู้ก you know. ายกตัสยัญชนอะไรไม่กําหนดรู้ ไม่กำหนดรู้ก็เรียกว่ า, วาไม่กาหนดรู้แล้วถ้ากำหนดรู้ก็กาหนดรู้นะแหละไม่ทำให้แจงก็คือผู้นั้นอัญชนเหล่านั้นไม่ทำให้แจ้งถ้าผู้ใดกายก็ตาสติอัญชนเหล่าใดทำให้แจ้งอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นทำให้แจ้งเพราะฉะนั้นก็ลองมาฟังคาว่ากายอีกทีหนึ่งกาย ในความเป็นสัตว์ตวาตข้อที่นหนึ่งหรือกายในวิญญาณทิติข้อที่นหนึ่งพยายความดีๆเอาให้หมดเวลาเลยวันนี้ตรงนี้ข้อที่นหนึ่งเนี่ยบอกว่าท่านบอกว่าสัตว์บางพวกตัตพวกบางพวกหนึ่งตัด พวกนึงอะพวกพวกนี้แหละพวกภูมินี้แหละภูมิพวกนี้่แต่พวกนึงมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคนหนึ่งมีกายต่างกันสัญญาต่างกันท่ายกตัวอย่างเช็ดพวกมนุษย์เทวดาบางพวกวินิปาติกะหรือสัตว์นรกทั้งหลายแหลทั้งหมดวินิปาติกานี่แปลว่าเป็นสัตว์นรกชนิดที่มันรวมสัตว์นรกไว้หมดแล้ว มันเป็นสนารนรกที่ตกไปจนไม่รู้จะตกไปที่ไหนอีกแล้วมันไม่มีที่ต่ำํำกว่านี้อีกแล้ววินิเนี่ยแปลว่าไม่ไม่นิไม่นิไม่ปาติกะนะมันไม่ปาตามันไม่ตกไปตรงไหนอีกแล้ ว, ต, ลวตกมันมีที่ตกอีกแล้วพูดที่ไม่มีที่ตกไปอีกแล้วมันต่ําจนติดตกแล้วมันต่ำ <ook S 1> จ, จนติดจกมันต่ําจนติดติดไม่มีที่ตก ไม่รู้จะพูดภาษาไทยว่าอะไรดีนะท่านรวมที่จริงก็รวมไม่หมดครับอปายะวิติวินิปาติปปัติกานี่คือทัพที่รวมไม่หมดนะเป็นอออบายอบายะภูมิสี่ภูมที่สี่นี่คืออปายออะไรเนี่แหลลงท้ายเป็นวินิปาตติกานี่แหละนะลงท้าววินิปัตติกานี่แหละ พรบาีเช่นว่า ง, งั้นอันทีนี้สัตว์ขั้นที่หนึ่งนี่คืออย่างนี้สัตว์ขั้นหนึ่งนี่มีความเป็นสัตว์ที่ประกอบไปด้วยกายถ้าบอกแล้วว่ามีกายอย่างหนึ่งก็มีกายที่ต่างกันทัญญาต่างกันคือผู้ที่เป็นสัตว์ขั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่เห็นว่าสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาสัตว์อบายต่างๆนี่มันต่างคนก็ต่าง ต่างสัญญาต่างองคก็ต่างกายกายต่างกันสัญญาต่างกันย้ำอีกทีนะว่าการนี่คือองค์ประชุมหรือว่าคือสรุป ก, ก็คือมวลแห่งสถิติธรรมอันนี้มันเรื่องที่ท่านกล่าวนี่แม้วิญญาณทิฏฐิเจตน์นี่ก็ตามสตว์ว่าก้าวดตามเป็นการศึกษาขั้นโลกุตระนะไม่ใช่การศึกษาของคนทั่วไปนะ แต่คนทั่วไปก็เอามากล่าวถึงข้อที่หนึ่งนี่เป็นคนกล่าวถึงคนทั่วไปภูมิของมนุษย์ทั่วไปอุตุชนทั่วไปขั้นที่หนึ่งนี้เพราะนี้จะรู้จักมนุษย์จะรู้จักสัตว์เทวดาจะรู้จักสัตว์นรก ต, ต่างๆเนี่ยเปรตส ป, ปะนะจะ ก, กําหนดว่าเป็นมนุษย์สัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาสาระ บ, บายต่างกันต่างคนต่างก็สัญญาเป็นไ ป, น ป, นปนตามภูมิรูปประกอบไปด้วยกิเลส ข, ของตน ยังไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรในการเรียนรู้ไม่ได้มีกฎมีเกณฑ์ในการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทางจิตใจสัตอ น, นิี้สัตว์ทางจิตใจสัตทางจิตใจถ้าสัตว์ทางกายกําหนดตรงกันได้ช้างก็อย่างนี้แหละรวมๆม้มาก็อย่างเงี้ยแม้แต่สุดๆในลักษณะเฉพาะเออคนนี้สัมผัสพรู้หน้าตายานี่เว้ย นะต้องอย่างนี้อะคุณก็มีนิมิตได้กําหนดนิมิตได้หน้าตาคนคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้นนจําได้บางคนเห็นลีลาเท่านก็รู้แล้วโอ้เห็นข้างหลังเดินก็รู้แล้วคนนี้คือใครอะไรกต่างใช่ไม่มแล้วก็ใครๆก็รู้เหมือนกันได้อ่าเอามาทําภาพออกมา คนนี้ก็รู้ว่าคนนี้มีรูปร่างองนี้มาเขียนตรงกันได้นะสเก็ ต, ตออกมาเป็นรูปหน้าตารูปร่างของคนนี้หลายคนที่กาหนดรู้คนนี้เหมือนกันมันก็ได้อันนั้นก็คือข้างนอกแต่อันนี้มันหมายถึงนามธรรมาำคำว่ากายคำนี้คือหมายถึงมวดแห่งเจตสิกรธรรมหรือเวทนาสัญญาสังขาร หรือเข้าไปคืนนามในระดับเนื่องจากรูกเป็นเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนศสิการนื่งถ้าจะเอาให้ครบอีกเพราะตาอธิบายคำรวมเฉยๆกายคือหมวดเจตสิกธรรมสามแต่พอในเป็นบริบทปฏิทูาท่านก็ขยายจากเวทนาสัญญาสั้นขานท่านแปลงเป็น เจตนาภัสสมณสิกาใชไมท่นแปลงจากสังขารเมตนาสัญญาเป็นเจตนาภัสสมณสิกาแตกออกไปอีกเพื่อที่จะศึกษาได้เป็นปฏิสุบรรบทก็ต้องมีภัสสะต้องมีมณสิกาและมีเจตนามนโนสันเจตนานนัจะได้รู้ารายละเอียดของเจตนาที่เป็นอะไรเป็นตัวเจตนาที่เป็นอกุศล เจตนาอะไรไม่เป็นอกติส่นก็จะต้องรู้ทัดเจนไปถึงอย่างนั้นเพราะงั้นผู้ที่ศึกษาต่างคนต่างไม่รู้เรื่องเนี่ยในขั้นที่หนึ่งกายขั้นที่หนึ่งขอ้อไปยวิญญาณทิฏฐิขั้นที่หนึ่งหรือสัตว์สัตว่าขั้นที่หนึ่ง เ, เพราะภูมิคนที่ยังอยู่ในภูมิมีก็จะรู้กายโดยมีสัญญา กำหนดเป็นไปตามภูมิรูัฐประกอบบริเกตต์ขั้นตนยังไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรเรียนรู้กับเป็นมนุษย์เป็นสัตว์พายิดใจคือเรียกวรภาภาษาองค์ประกับโดยเฉพาะคนธรรมดาทั่วไปอันนี้คนธรรมดาทั่วไปหรือแม้จะศึกษาธรรมะหรือบางคนจะศึกษาด้วยแต่ยังไม่ประสีภาษาแต่ยังไม่ประสีภาษายังไม่ได้เรียนรู้อย่างถูกต้องเป็สมาธิเพราะฉะนั้นจะเรียนรู้การ เป็นกายคืออะไรต้องกำหนดกายให้รู้ไม่ประสีภาษาก็กำหนดยากกำหนดหมายความเป็นสัตว์สเปสปะไปตามอานาจกิเลสนั่นแหละไม่มีความรู้ทางจิตใจติดเลยก็จะเห็นกายที่เป็นสัตว์สเปสปะไปตามอานาจกิเลสสัญญาคือการกำหนดหมายในความเป็นเทศก็ไม่รู้ความเป็นสัตว์นรกสัตว์วิริยะนี่ก็ไม่รู้ แต่หลงตนนะหลงตนว่าเป็นมนุษย์นี่เราหมายถึงมนุษย์นะเป็นผู้ติเรียนรูปปน้พวกนี้สัตว์นิรชาตพูดไม่รู้เรื่องหรอแม้แต่อวัยะสัตว์มันก็พูดไม่รู้เรื่องที่เรียนรู้ตรงเรนอวัยสัตว์ขึ้นไปจริงๆนะเพราะฉะนั้นจะมีแต่หลงตนว่าเป็นเป็นมนุษย์แนละ้วถือถือดีว่าตนเองมีจิตใจสูงเนี่ยนะมนุษย์โสมนะนะเพราะฉะนั้นว่ า, นา ม, ามนุษย์โสมเรบจิตใจสูงแต่ถือดีว่าจิตใจสูงเพระเาะฉะนั้นจึงได้กายเนี่ย กายของสัตว์ต่างๆเนี่ยสเปสสัะไปต่างก็กำหนดหมายไปให้มันเป็นไปตามอำนาจกิเลสบนเวียนบนเวียนไปเเดยนกับเป็นสัตว์เทวดาไปเดีนกับเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์คือวนอยู่นันแะโดยไม่รู้ว่าเออเมื่อเป็นสัตว์เทวดาก็เป็นอย่างนี้เป็นสัตว์นรกก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้กำหนดว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีนะ ประเดี๋ยวเป็นเองประเดี๋ยวก็เป็นสัตว์เทวดาประเดี๋ยวก็มาเป็นสัตว์นรกประเดี๋ยวก็เป็นสัตว์เทวดาเดี๋ยวก็ไปเป็นเป็นเดรัจฉานเดียก็เป็นสัตว์นรกเคยเป็นมาไหมเอ๊ะพวกนี้ฉลาดเนาะไม่ปฏิเสธเลยว่าตัวเองเป็นสัตว์นรกเออไม่อายเลยตัวเองเป็นสัตว์นรกอ่ะก็เคยเป็นมาแล้วแต่เราก็เลือกเป็นว่างมาบ้างไหมได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าปวดอุตนีิมนุสธรรมเนี่ย เลิกวิสันนโกมาได้เหรอในบ้างเลยหรอกี่บ้างอ่าสิบตีหรือสิบทสเอกกี่บ้างอ่าอเพราะงั้นก็จะกำหนดเป็นสปะไปตามอำนาจวนเวียนถูกผูกความเป็นสัตว์ไวนะความเป็นสัตว์ในภพไม่ในภพพ้นความเป็นสัตว์วาดาก้าวนี้ไป หมดสิ้นไม่ได้สัตว์ทีถามจริงถ้าพระคุณไม่ได้มาฟังที่อาจจะมาพาทํามาเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์ที่จะเลิกความเป็ น, น ส, สัตว์ลงไปได้สักสักชั้นหนึ่งไหมนะ ม, มีสิทธิ์ไหมเพราะมันไม่รู้ใช่ไหมมันไม่รู้สมาธิเลยมันไม่รู้ว่าเอ้สัตว์มันเป็นยังไงวะ สังโยชน์การผูกเอาไว้นะแล้วมันผูกสับยังไงวะใช้โซ่เหล็กหรือโซ่ตะกัวหรือว่าโซ่ทองโซ่คำอะไรเนี่ยนะใช่ไหมแล้วถเข้าใจความเป็นาาสัตว์ตาว่าสัตว์ที่มันอยู่กับเราแล้วเราก็บอกโอ้นี่ปฏิบัติมาวันนี้เนี่ยมันมัน อ, ออกไปได้หรือถ้าแม้วันยังไม่ขาดจิตมันก็ออกไปนานแล้วนะอยให้ม่กลับมาอกีกนะ คนที่ว่ามันไม่มาแล้วเนี่จะให้มันกลับมาอีกนะเออมันก็หายไปขาดไปเออจอใหญ่มันก็พอเจอแต้อ จ, จอเล็กเนี่ยมันไม่เปิดให้ดูเลยมันดำปื้อยอยู่หมดเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยแม่จะประคุณเลยสงสัยจะเสียสตังค์กันอีกเนี่ผู้สารไปแลกกันมานะเนี่ย <c oughs> เครื่องนี้มีคนแนะนำให้ไปแลกขององค์นั้นมาเถอะ อันนั้นมันมีชั้นชั้นละเอียดกว่าอันนี้ซื้อมาใหม่นะเอาไปแลกมองด้วยะเอียดต่อเอาไปเอามามันมันมันแก่กว่าตัว น, นั้นอีกอ่ามันเลยแก้กันไม่ไหวัดไม่ไวเลยเนี่ยต้องเข้าโรงหมอบกันประจำเลยอ่าทำงานกับโลงกระเพลไม่ได้เรื่องใหญ่เลยอเออเป็นบุญของครูนั้นอยู่ดีๆก็มีคนเอาของดีไปแลกเอาของแก่มาอ่าก็เป็นบุญของท่านบุญนั้นไป อ่านผูนี้ก็ต้องแก้ไขใหม่พวกเราก็แลกกันไปแลกกันมาโดยแนะนำผู้แนะ น, น, นำก็ตัวตัวแนะนำปรัชนาดีเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปเจอบทนี้มันไป็ีวิบากของสู่แดนธรรมเอาของที่มันใช้งานได้ดีไปแล้วที่ใช้งานยังไม่ได้ดีมาเอาอก็บนให้สู่ฟังนิดหน่อยอเพราะงั้นเราจะรู้จักคำวสัจ องค์ประกอบกายโยของความเป็นสัตว์อง์ประชุมของความเป็นสัตว์โดยเฉพาะคำว่าสัตว์โอปปาติกะซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัตว์สมาทิฏฐิในข้อที่9เพราะฉะนั้นเราเข้าใจความเป็นสัตว์โอปปาติกะยังไม่ได้แล้วก็มาเรียนรู้ปฏิบัติคุณก็อู้องค์ประชุมมันไม่ได้ มันรวมกันมันมาประชุมกันมีเหตุปัจจัยมาประชุมกันจากคำพัดแล้วก็มาข้างนอกข้างในแล้วก็มาปรุงแต่งกันเป็นอย่างน้นอย่างนี้โดยที่เรากำหนดไปแต่ก่อนแล้วก็แม่มีกายแห่งเทวดาของเร า, านี่มันมาทีไรสวยพิ้งเลยนะเป็นเทวดาสุขลิกะเป็นเทวดาเกอเนาะสวยพิ้งอราเราแล้วก็พยายามปรุงแต่งมันสวยขึ้นเรื่อยๆนะ โดยไม่ปล่อยไมวางทีเดี๋ยวนี้บอกเฮ้ยเทวดาเกไปทีเดี๋ยวแกก็ปลอมตัวไม่ใช่ตัวตัวแท้ของแกที่จริงก็จะเป็นสัตว์นรกแต่แกปลอมตัวมาหลอกเป็นเทวดาเป็นสมุติเทพมาหลอกเราอยู่เรื่อยเลยพอเรารู้ตัวแท้เหตุแล้วเราก็กำจัดตัวเหตุพอกำจัดตัวเหตุหมดเหตุปัจจัยไอ้ตัวตนตัวนี้ก็หายไป ตัวตนแท้จริงๆมันนี่มีหรอกมันมีจากเหตุปัจจัยเพราะนั้นกําจัดเหตุทุกอย่างทุกอย่างดับศาสนาพุทธนี่ทุกอย่างมาแต่เหตุทิศภาษารีบุตรได้ฟังพระอัสสชิกล่าวทุกอย่างเพระสมณโคโดมสอนอย่างนี้ทุกอย่างมาแต่เหตุดับเหตุจะได้ทุกอย่างก็หมดไปทุกอย่างกนดับเพราะฉะ น, นี้ก็ฉันเดียวกันดับ จับเหตุได้ก็ดับเหตุมันก็ดับทุกอย่างหมดไปมันเป็นเหตุปจตัจจัยตอนนั้นในตัวตนก็คือตัวสมมติเพราะตัวตนก็ดีรูปนามก็ดีไปเอาตัวจบมาพูดเนี่ยโก้ตายชักเลยแต่คนที่จะถึงขั้นสักแต่ว่านามรูปรูปนามสักแต่ว่าอัตตามันไม่ใช่อัตตาหรอกคุณต้องเป็นผู้ ค้นแล้วจริงๆคุณนั่งจะพูดอย่างนั้นแล้วคุณก็จะเป็นเช่นนั้นแต่คุณพูดไปโดยที่คุณไม่ได้ถึงภูมิธรรมหรือตัวจริงของคุณไม่ได้บรรลุถึงขั้นนั้นไม่ได้เป็นคนอยู่ในสมัยอย่างนั้นไม่ได้อยู่ในสมัยยะอย่างนั้นสมัยหรือกาละที่คุณบรรลุแล้วเป็นกาละพัสด์เพอ e ์เฟกต์ e กาละที่มันผ่านความบรรลุ จบแล้วถาวรแล้วคุณกลาวไปก็เป็นตเพิ่โวหารความจริงของคุณไม่ใช่คุณว่าคุณไม่ใช่อัตตาไม่เป็นอัตตาไม่มีอัตตาคุณก็กล่าวตะ่โวหารเป็นอัตวาตุ ป, ปาทานโดยคุณจะบอกว่าโอ้ทุกมันสัตว์แต่ว่ารูปน้ำมันไม่มีสัตตุวโตัวตนบุคคลเราเขาอะไรหรอกคุณก็กล่าวได้ตะ่โวหารนะ สักจะวารูปนามพูกก็กล่าวได้จะโวหารพวกจะถึงขั้นสักตะวารูปนามจริงๆก็คือผู้ที่หมดมุนหมดบาปแล้วก็อยู่กับรูปนามมันเป็นสักจะวารูปนามจริงๆนะนี่เป็นขั้นละเอียดมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะบางคนจะศึกษาธรรมะแต่ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์พอที่จะกำหนดจิตเจตสิกตนได้นะก็กำหนดรู้จิตรู้เจตสิกตนไม่ได้ ไม่รู้ก็มันกำหนดไม่ได้ไม่มีการทําใจในใจอัมนะสิการไม่มีเพราะกําหนดจิตไม่ได้ทําใจในใจไม่ได้หรือทําใจในทำใจในใจมานาสิกโรุสิเขาจะไมเป็นมีแต่สแสวงหานตามอํานาจกิเลสไปเรื่อยให้เกิดอารมณ์สมใจตามที่ตนต้องการนสมใจตนบ้างไม่สมใจตนบ้าง ก็ได้แต่ดิ้ดนรนแสวงหาอยากคล่ไปก็ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้วิธีปฏิบัติกําจัดเหตุแห่งทุกข์คือไม่รู้อริยสัจเมื่อไม่รู้ให้ได้ก็เป็นปรมัตติธรรมตามอริยสัจสี่ไม่ได้นะมีแต่อํานาจกิเลสแล้วก็ได้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์ไ ป, ปตามเหตุตามปัจจัยยังตรุงแต่งกันอยู่ไปตลอดมีสังขารไปตลอดนะหาอะไรบรําเบลกิเลสจ น, นไปตลอด ไม่รู้ความเป็นสัตว์ปฏิบัติอย่างชัดเจนแท้จริงหรือเป็นสัตว์วค์ก็ไม่รู้นะนอกจากไม่รู้สัตว์วั์สัตว์นรกแล้วนี่นะจะไม่รู้นะไม่รู้สัตว์วั์ไม่รู้สัตว์นรกแล้วเนี่ยจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้าไปว่าตัวเองเนี่ยให้อาหารแก่สัตสัตว์วั์ คุณให้อาหารแก่สัตว์สวรรค์เนี่ยคุณติดใจเท่ากับคุณบำรุงสัตว์นรกคุณให้อาหารสัตว์สวรรค์เนี่ยคุณติดใจใช่ไหมติดใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเท่ากับคุณทําให้ร่างกายสัตว์นรกของคุณบุตุอ้วนขึ้นโตขึ้น ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยคุณเอาวิชาโดยคุณเอาวิชาโดยคุณไม่รู้น่า ม, มีเวลาอีกนิดเดียวอัตมาขอเอาตัวสำคัญสำคัญมามามาม า, มาอธิบายให้ฟัง คมกายตัวนี้อีกตัวหนึ่งอธิบายให้ฟังพอคันๆไวยก่อนคันหัวใจผู้ที่เห็นนิวรห้าเหล่านี้ทิละได้แล้วในตนน่ะอันนี้เอาตัวลึกเลยนะเห็นนิวรห้าเหล่านั้นละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทเมื่อปราโมทแล้วก็ย่อมเกิดปิติเมื่อปิติในใจ กายย่อมสงบฟังแล้วง่ายงาใช่ไหพอละนิวรณ์ห้าเหล่านั้นได้แล้วตนก็ย่อมเกิดปราโมทปราโมทย่อมเกิดพิติเมื่อพิติตในใจและกายย่อมสงบนกายยอปัตสัมพติกายกาย่อมสงบเมื่อเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นสุขอั น, นี้ไม่ใช่สุขมมมเบิก ที่เละนะสุขสงบสุขที่กายสงบพราดนิวรณ์มันดับสุขเพราะนิวรณ์มันดับเพราะคําว่าสุขซ้ํากันเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องสับสนพ่อบอกว่าสุขก็บอกอ้าวก็ดับนิวรณ์แล้วทําไมมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วมันมาทําไมมันมีสุขอีกอะยังเบวยสุขเมื่อมีสุขจิตยอมตั้งมั่นอ้าแล้วจิตตั้งมั่นยังมีสุขอีกเห็นไหมจะสับสนเลยใช้ศัพท์คำเดียวกันแต่ศัพท์คำนี้ คนละกายแล้วกายคำว่าสุขคํานี้กายโยคำว่าสุขคํานี้ไม่ใช่กายสุขของที่บําเรอนิวรนาแต่นี้เป็นกายเนกขมะสิตะสม น, นัตเวทนาเพราะฉะนั้นถ้าคุณแยกไม่ออกระหว่างมโนป ว, วิจารสิบแปดของเทหสิตะเวทนาสมนัตเวทนาเทหสิตะสม น, นัตเวทนาต่างกันอย่างไรกับเคห ตาการเน่ฆมาติตาสมมานัตเวทนาสมมนัตเห ม, มือนกันสุขเหมือนกันอย่างนี้ก็ต้องรู้โดยตนเองว่าอ๋ออาการอย่างนี้ภาษาเรียว่าสุขเราก็สุขเล็กสมนสมนัตก็สมมานัตแต่มันคนละอย่างแล้วอย่างนี้เป็นต้ น, นเมื่อเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นเธอสังัดจากกามสงังห์จากอกุสสธรรม บรรลุปัตมชานมีวิตกวิจารมีปิติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่สัญญาเกี่ยวด้วยกามที่มีในก่อนของเธอย่อมดับสัญญาดับนะนี่ที่อาจารมาเอามาพูดใล่นฟังนี่มันมันมีกายเขามักายกับสัญญาสัญญาดับย่อมดับสัจจะสัญญาอันละเอียดแตใช้คำว่าสัจจะสัญญาอันละเอียดเลยนะมีปิติและ สุเกิดแต่วิเวกในสมัยนั้นในตอนนั้นและสมัยนั้นละตอนนั้นและทรัพย์ติบัตินั้นเลยในตอนนั้นสัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นสัญญาเพราะการศึกษาสัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปเพราะการศึกษาด้วยประการชนิดที่อาตมาหยิบมาพูดตรงนี้เนี่ยมีคนมาถามพระพุทธเจ้าถามว่า สัญญาเนี่ย เ, เกิดขึ้นดับตั้งอยู่ดับไปก็มีหรือว่าสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะอะไรนี่ยปฐ ม, มาก็ชัตเมาหมัดมันอ่านเยอะตอนนี้สับสนอยู่บ้างอเออนี่สัญญาของมรุษไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดขึ้นเองดับไปเอง ความเห็นของสมณพราหมณ์พวกนั้นผิดแต่ต้นทีเดียวคือสัญญาของบุรุษไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดขึ้นเองดับไปเองความเห็นของสมณพราหมณ์นั้นผิดแต่ต้นทีเดียวเพราะเหตุไรเพราะสัญญาของบุรุษมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นก็มีดับไปก็มีนะสัญญานี่มีเหตุมีปัจจัยธรรมดาธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เกิดขึ้นก็มีดับไปก็มีมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปมันก็มีอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาเพราะฉะนั้นคนจะบอกว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปัวแลจบไม่ไม่พอพระุทธเจ้าพอมาถามเรื่องสัญญาเนี่ยมันมันเป็นไงราะว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ย มันเกิดขึ้นเองหรือว่าเทวดาบิดาหรือว่าผู้ผู้เจ้าของทำเองเนี่ยมันมีตั้งหลายอย่างที่จะถามมาทีนี้ท่านก็บอกว่าจริงสัญญามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีจริงเพราะฉะนั้นคนจะมีจริงโดยรู้ทันว่ามันเป็นธรรมชาติมันทุกคนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสัญญาสัญญาอย่างหนึ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะการศึกษาตอนนี้ก็มี อางสัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปเพราะการศึกษาก็มีอันนี้แหละเป็นประเด็นที่อาตมาจะใช้อธิบายในอนาคตการศึกษานี่แหละธรรมชาติมันมีเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะงั้นเราเข้าใจเป็นธรรมชาติแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมันม่นไม่ศึกษาคือคุณศึกษาและศึกษาแค่นี้ศึกษาแค่ว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ก็ไปชื้อนซื้อผ้อกระจบไม่ศึกษาคุณก็คุณก็บอกว่านั่นแหละมันก็เป็นธรรมชาตินั่นคือคุณรู้ธรรมชาติแล้วคุณไม่จบเราคนต้องศึกษาให้มันดับเพราะการศึกษาไมใ่ใช่ว่ามันดับเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เข้าใจเอาชัดเจนไหมต้องฟังตรงนี้ให้ได้ เพราะงั้นคนเยอะเลยฝนปัญญาชนสายปัญญาสายมหายานเนี่ยพวกเซนเนี่ยมันเกิดขึต้องเยดุดระบไปมันเป็นเช่นนั้นเองขอไฟใ น, นสายทางชนโมกก็ใช้พิธีนี้อย่างนี้เยอะที่สายสายอาตมาไม่กล่าวถึงแม้แต่ปัจจุบันนี้ในะบมืองทก็ยังเยอะสายปัญญาจะเข้าใจนี่แล้วก็จบบอกธรรมชาติรู้ใจธ ร, ธ, รรมมธรรมชาติพอแล้วสามารถกัธรรมชาติเกินก้นต้องอยุดัะบายไม่พอ ต้องธรรมะโลกุตระมีการศึกษาดับชาติอยู่ธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับดับชาติจนไม่มีชาติธรรมะไม่มีชาติไม่เกิดไม่ดับขออภัยเนืเ้อเวลาที่ไม่มีให้แก่คุณให้แก่ท่านเดินดินสรุปอ็วันนี้ดูเหมือนว่าอ สิ่งที่คุณปฏิเจธหหน้าแต่ว่าเราเนี่ยแต่ว่าพครูก็พยายามเอามาให้เป็นประโยชน์แต่มืกันึกถึงที่พระเจ้าท่านเคยถูกกล่าวถู่ว่าพระธรรมนาครดมมาสอนนักที่เรื่องขาดศูนย์พระเจ้าท่านก็บอกว่าใช่เขาสอนเรื่องขาดศูนย์จากราคะจากโทสะจากโมหะก็ก็เอามาเอามาใช้ให้มันถูกต้องขึ้นมาอันนี้กำเบอนกับเรา เขามองเราว่าเราเป็นเทราวาสมหายาติคือเป็นขึ้นครึ่งกลางอะไรเงี้ยไม่เป็นอะไรทักอย่างหนึง่งแต่จริงๆแล้วศาสนาพุทธมันก็ต้องเป็นทั้งเทราวาสเป็นทั้งมหาญาติไม่พ่อครูก็เอกมาให้หนึกความถูกต้อง mm hmm. เป็นดีออลิวันซึ่งดีออลิวันของเขาเนี่ยมันถึงว่าไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแต่จริงๆจะได้เรื่องหรือไ ด, ได้ได้เรื่องได้ราวอะไรเนี่ยมันคงอยู่ที่พวกเราที่จะไปที่สุดคือที่ที่พูดที่พ่ครู อธิบายมาทั้งบทเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาเรียนรู้เรื่องสภาวะจิตใจฟังธรรมะแล้วเราไม่ได้เอาไปปฏิบัติเนี่ยมันก็จะไปไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็จะขับสนเงินเราจะศึกษาศา ส, สนาแบบเข้าใจได้เนี่ยก็เพราะว่าเรามีบทฝึกหัดตั้งแต่ศีลแต่เราเลือกจะฟังพวกเราเคยบอกว่าเข้าไปบาหลายธํานักเนี่ยเขาไม่สามารถอ่านจิตใจได้ แต่เขามาสมาทานศีลที่พ่อครูอธิบายแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยทําให้เขาค่อยๆเรียนรู้จิตใจของเขาที่เคยเกิดความโลภอย่างไรความโกรธอย่างไรทีนี้ก็จะค่อยๆเข้าใจรูปนามเข้าใจกายกระตาสติเข้าใจความรู้สึกของกายที่พ่อครูได้อธิบายมาซึ่งก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายนแค่เท่าเวลาคนหมดกดอันนี้เรืองกล่าวขอบพระคุณพ่อครูแล้วก็พระเจงากระนะครับครับขอ นุมธรรมนาคับเราทุกทุกคนครับ